เด็กชายนะคุณกลับมาสักสการะพระอาจารย์เป็นยังไงครับแล่ ه, ทําไมมีนักคุณสองคนเนี่ยทำไมนักคุณมีสองคนเนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแม่ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมใช่นักคูณกับคนที่อยู่ข้างหลังแม่ใช่ค่ะ <laughs> เป็วันนี้มีอะไรไหมครับวันนี้ทำสิ่งดีๆค่ะเออทาดีนะไม่เดือดไม่โซนเหมือนที่คุณทำสิ่งดี ๆ, ๆนะใช่เร า, า, าเราณกุญชโบสิ่งดีๆอันนั้น <ๆ S 1> คุณคชิบารเป็นดีๆเจอเราดูสิว่านักกุาชิบาระอ๋อเขาบอกว่าเมื่อตกี้เดินไปซื้อของกันมาค่ะแล้วเขาเดินมองทางไปตลอดเขาเจอตัวนอนรถด่วนนะคะข้ามถนนอยู่เขาบอกว่า เนี่ยเพราะเขาเห็นนะเขาเลยไม่เหยียบมันเขาก็โดดข้ามมันเขาทำความดีใช่ไหมคะ่ะบอกให้เป็เล่าให้แม<ะ>่ครับอาจารย์ฟังด้วยนะเดีไม่ไม่ทำร้ายเขาดีดยแล้วไม่เหยียบเขาดีแล้วคระอาจารย์บอกว่าดีแล้วลูกมีอีกไหมมีแค่นี้ อ, อ๋อมีแค่นี้ค่ะเมื่อวันอาสาะหะไปนอนวัดกันมาค่ะพระอาจารย์ได<ะ>้เวียนเทียนอืมข้าเดีดยไปทำกิจกรรมของชาวพุทธเรานะ อาลูกไปเขาจะได้เรียนรูปไปด้วยในตัวค่ะให้ไปทดลองงานเป็นพนัก ง, งานล้างเทา้าพระอาจารย์ที่ที่วัดกันอ่ะวันนี้ไม่ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์อารมณ์ขึ้นลงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าพยายามรู้สึกตัวให้เร็วค่ะพระอาจารย์แต่ปฏิบัติทุกตื่นค่ ะ, ะพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆนะ อ่าพระอาจารย์โอเคอ่ากระาขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> อ่ามาที่จอมแม่กับแจที่ตลาดนวมสุการพระอาจารย์ครับวันนี้มีอะไรไหมวันนี้จะมาส่งกันบ้านแล้วก็รายงานว่านั่งสมาธิครับอ่ารายงานนั่งสมาธิก่อนเขาก็คือตอนนี้ครับก็คือแยกแยกกันนั่งแล้วครับตัวใครตัวมันครับเนี่ยทาไมอนะ กเพราะว่าจะมัมีขั้นปานเยอะครับแล้วก็เสร็จทีหลังก็เล่นนั่งทีหลางครับอ๋ออืมอย้นั่งใช่ไหมใช่แล้วใครเขาไม่รู้ว่าเรานั่งหรือเปล่าเราร่ไยจะได้ไม่ต้องรลบๆโออาจารย์ตีเป็นยังไงนั่งหรือเ<น>ปล่าอาจารย์ตีนั่งครับนั่งพร้อมแม่ครับอย่างนัน่ไหมก็สิบห้านาที สมบ้า น, นี่เมน้อยกันอะง่วงครับง่วงทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่ ง, ง, ง, ง่วงมันง่วงตอนนี้นางสมาธินี่นะระวัติขงก็ง่สวสนะ่วน <c oughs> ถ้ามีหนังให้ดูเขาไม่ ง, ง่วงนะโอเคมาสองกันบ้าน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 มีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีกรรมเป็นที่เพื่องาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นเสร็จไปเราทั้งหาามาวนพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอ่านามกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูยืดนในกระดูกน้ำหัวใจตับขำผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายืดนในสมองศีสษนน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเล่น้ำดียื่นในสมองสีสันอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามยืนกระดูกกระดูก เป็นเนื้อหนังฟนเลบฝนจำได้ตลอดไปไหมคิดว่าจำได้ตลอดไปค่ะอ่ารากายนี้มีอะไรที่น่าดูบ้างไหมมีมน่าดูอันนี้นะเลาเข้าไปประกวดอะไรกันนะประกวดประกวดหนังใช่โอเค ไม่มีตัวตนนะร่างกายม่ใช่ตัวเราของเรานะต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนนะคครรัับบอืไม่ทุกนะครมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับอไม่มีก็ไปที่น้องตะวันตากราบพระคุณพระอาจารย์ครับ บาดนอกจากราชแผลฉันก็อันนี้มีอะไรไหมครับเอ่อแค่เดินเข้ามาครับว้า ม, มาเลยเอถ้ามันมีต้นไม้แล้วมามีเทวดานายต้นไม้อันนั้นแล้วเราตัดต้นไม้อันนั้นแต่ว่ามันเป็นบาปไหมหรือไม่บาปครับเราดูรู้ป่าวมีหรือป่าถ้าเรารู้ครับดูได้ยังไงนะอืม ไม่รู้ครับอ่าเนยแล้วแล้วถ้าไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้นะตัดไปถ้าเผอไว้ถ้าถ้ากลัวมีเทวดาอยู่ก็ขออนุญาตเทวดาก่อนจุดธูปสามดอกอเพื่อความสบายใจของเราอือ่านี่ก็เป็นความเชื่อซะมากกว่าคาจริงเทวดาไม่ยอยมา อยู่ต้นไม้ทำไมก็อยู่ในโลกทิพย์ก็สวยอาหารทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์งั้นก็อย่าไปกังวลกับเรื่องเทวดาล่ะเอเรื่องต้นไม้นี่พระพุทเจ้าก็บอกว่าตัดต้นไม้ไม่บาปนี่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณอื่ไหมเทวดาไมีเทวดาเทวดาก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้นไม้ต้นนั้นอืม ในเทวดาเขาก็เขาไม่เดือดร้อนเราตัดต้นไม้เมื่อไม่ตัดต้นไม้แต่เพื่อความสบายใจของเราก็ถ้าที่ว่ามีเทวดาก็จุดทุบขออนุญาต ก, ก, ก่อนถ้าเขาห้ามเดีย๋ยว ก, ก็ต้องมีปัญหาควา้าอเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ตัดมันอาจจะเสียก็ได้ใช้งานไม่ได้ก็ได้นะ ่ด้าทุกอย่างให้งานได้ก็ถือว่าเทวดาเขาไม่ห้ามก็ต่ำไปหรือว่าพอจะตัดต้นไม้เกิด้วการปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเทวดามาห้ามก็ได้อ mm hmm. าจารยยังโอเคค่ะ mm hmm. ไว้รอพรุ่งนี้เราตัดใหม่ดูยังจะปวดท้องไหมครับก็ ทุกครั้งที่ตัดจะมามีปัญหาขึ้นมาก็อย่าไปตัดก็แล้วกันจะได้ว่าเทวดาเขาไม่ให้ตัดน ะ, ะนะอาจารย์นะผมจะไม่ได้ยินเนาะได้ยินหรือเปล่าไม่ <Okay. S 1> โอเคแู้วเขาที่สัญญามันขาดขา ด, ขดหายไปใข่ค่ะภาษาแต่ว่าตอนนี้ได้ยกปกติใชะค่ะ มีอะไรไหมพระอาจารย์เจ้าคะทีนี้สินของพระก็คือห้ามเด็ดต้นไม้สีเขียวอะไรแบบนี้คือยงมเข้าใจถูกต้องไ้ยคะพระอาจารย์ถ้าเป็นสินของพระเนี่ยค่ะคือสมัยก่อนคนเขาเชื่อว่าต้นไม้ก็มีวิญญาณเหมือนกับสัตว์เหมือนกับมนุษย์เนี mm ่ยแต่ต้นไม้ก็มันก็ไป ตัดแข้งตัดค้าเขาเพื่อไปฆ่าเขาทานหลวงพระพุจ้า ก, ก็ก็ไม่ต้องการที่จะขัดความรู้สึกของคนต้นไม้นั้นก็เลยห้ามไม่ให้พาไปไปตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้อะไรต่างถ้าังไปจะต้งองตัดก็ให้ญาติโยมเป็นคนตัดให้แต่ความจริงต้ตนไม้ไม่มีวิญญาณตัดไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไร ไม่เหมือนหน้ากายหนาากายนี้มีวิญญาณอะไรก็แต่นาากายหน่อยนี่มันวิญญาณจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแั่นไม่มีใครทุกข์จากการตัดต้นไม้แล้วอย่างถ้ามีความจำเป็นจะต้องตัดวัชพืชในสวนแบบนี้เจ้าค้าพารา พวกมแมลงตัวเล็กๆอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันมันเป็นอะไรแบบนี้นะคะแตบ่บังเองิญบังเอิญไปอันนี้ก็ไม่มีเจตนาก็ไม่ไมบาป ม, มันขับรถไปแล้วมีมแมลงแมลงมันก็เข้ามาชนกระจกเราตายเนี่ยนะมันขับรถก็ไม่บาปไม่มีเจตนามันเป็นเหตุสุดวิสัย นายสงสาแล้วนะมีอะไรไหมครับวันนี้มีเพียงเท่านี้จ้าค่ะอาจโอเคแต่วันนี้น้องพีไมนได้เข้ามาใช่คุณบ้อยเห็นไหมไม่มีนะเอ่อเอ่อเพนครับอยู่ข้างล่างแต่มากแต่คุณแม่นะฮะ มีอยู่นะแล้วมีกาให้เขาพูดก่อนนะน้องพีคุณแม่เปิดเปิดโอเคยินไหมคะได้ยินจะพูดได้เลยเราได้ยินเสียงพระอาจารย์ค่อยมากเลยพอดีวันนี้ใช้ i p a พเจ้าคะ่ะน้องพีไม่อยู่เลยน้องพีไม่สบายคะ่ะอติดไข้ใหญ่สายพันเอคะ่ะพอดีว่ามา ตอนช่วงอาสาฬหเข้าพัรษาอะคะ่ะไปทำบุญที่ระยองแล้วก็ขากลับนะคะว่าจะไปกราบพระอาจารย์ไปถวายของพระอาจารย์แล้วก็ไปฟังธรรมด้วยค่ะก็เลยต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก่อนเลยตั้งแต่วันเสาร์พนองพีเป็นไข้สูงมากอะคะ่ะไปหาหมอที่โรงพยาบากลกรุงเทพระยองเจ้าค่ะ การการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ดูแลรักษาไปตามอัตราค่ะแต่ตอนนี้ค่ามีคำถามอะไรไหมหนูว่าติดติดแทนอหนูพ่อได้ยินเจีงหนูไหมคะได้ยินได้ยินนมีคําถามอะไรหรือเปล่าไม่ยิน หนูไม่ค่อยได้ยินเสียงหลวงพ่อสงสัยไอแพดไม่ค่อยดีปรดีว่าหนูจะเอ่อจะฝากน้องเฟิร์นไปนะคะ่ะจะฝากล้มฝากล่มแล้วก็เอหลอดไฟะคะ่ะฝากล่มหลอดไฟแล้วก็ปัจจัยแล้วก็น้ําดื่มไปถาไวายหลวงพ่อแทนหนูเจ้าคะ่ะแทนครอบครัวเจ้าคะ่ห<ล>ะห น, นหนูก็มีแคคเกอร์ค่ะหนูก็มีแคคเกอร์อยากจะบอกความเมตตา หลวงพ่อช่วยนำไปแจกให้กับเด็กๆที่เดินตามหลวงพ่อที่มาบิณฑบาตได้ไหมเจ้าคะโมไม่สะดวกค่ะเพราะเรามีงานเยอะต้องฝากคนอื่นฝากคนอื่นให้เขาไปแจกเราไม่สะดวกที่จะต้องมาไปแจกให้เด็กให้อ๋อค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูบอกน้องเฟิร์นให้ฝากกับ พี่พี่ที่อยู่แถวนั้นก็ได้ค่ะอื๋อยวไปฟากดีกว่าเป็นลําบากเขาบอฟังาไม่รอถึงเวลาเราจะทำํำกยมาทําดีกว่าได้ค่ะเอาไปใช้เขาไม่ดีหรอกก็วันนี้คะเราไปใช้เขาไม่ไม่ดีหรอกเอาไหมค่ะ ไม่เป็นไรค่ะแต่โน้ตฝากฝากล้วเฟิร์มไปถวายหลวงพ่อได้ใช่ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเ้าจะรับฝากหรือเปล่านัา่น่คะ่ะถวายถวายล่อ ม, มคะ่ะถวายล่มอมหลัไปแล้วก็กลับใจถวายหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ได้โอเคสาธุนอนุโมทนานะค่ะดีเสียง เสียงขัดขัดหายหายหนูไม่ค่อยได้ยินค่ะหนูต้องของอภัยด้วยนะคะโอเคไม่เป็นไรนี่ไปที่คุณหมอพิเชษต่อนะออออคุณหมอเชนกลับนัสการป้าอาจารย์ครับขอบความเมตตาป้าอาจารย์อธิบายมีปัญญารู้ทันความจ ร, รจิงครับป้าอาจารย์มีปัญญารู้ทันความจริงก็ต้องรู้ดูว่าทุกอย่างมันเป็นตายรักนั่นเองตลอดเวลา แต่ใจเราจะถูกกิเลสเราให้เห็นตรงกันข้ามกันทันนี้เห็นว่าเป็นอนิจจังก็เห็นว่าเป็นนิจจังเห็นท่านที่เห็นว่าเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขท่านี้เห็นว่าไม่มีตัวตนก็ไปเห็นว่ามีตัวตนแล้วเราต้องคอยเดินใจท่องถอนใจหรือ่อยไม่มีตัวตนไม่มีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นนอสผลสภาพที่เรา สัมผัสด้วยตาหูจมูกมือกายก็ดีมันนวนเป็นของไม่เที่ย ง, งนั้นมีเกิดมีดับมีเจรินมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ดีพรุ่งนี้เสียอะไรทำนองนี้สามวันดีสี่วันไข้ไม่มีอะไรที่จะดีไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ดีก็กลายเป็นของไม่ดีไป ถ้าพอเราได้ของไม่ดีเราก็จะเสียใจเราทุกข์ใจเว้าเราสูญเสียของที่ดีไปจากเราไปเราก็เสียใจเศร้าใจเราต้องพยายามทุกครั้งที่เรามีความยินดีอยากจะได้เราคิดว่าเป็นความสุขยังแสดงว่าเราหลงมาเราก็ต้องมั่นเปลี่ยนใจสอนใจอยู่เรืยไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขที่แท้จริงถ้าเป็นสุขก็ขเป็นสุขอ่าสุขแบาบ ยาขมเคลื่มน้ำตาลน้ำตาลเคลือ่อนยาขมวามสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้เป็นผิววางๆนักเหนียวไม่นานความสุมนัขก็ละลายหายไปส่วนที่เหลือก็กลายเป็นความทุกข์ความขมขื่นใจขึน้นมาอะต้องพยายามมองให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงมัน เ, เลยทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นอนัตตาไม่มีตัว ตอนไม่ใชของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราไปแน่ตลอดเนี่ยนะคือปัญญาที่จะรู้ทันความจริงอันนี้เราเป็นเราไม่เห็นความจริงกันเราเห็นความเราเห็นตรงกันข้ามความเป็นจริงเราเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกที่เราสามารถหาความสุขกันได้อย่างล่ามยศจันลเิญจากลบทเสียงเก็บนัดต่างๆ แน่มีใครบ้างที่ไม่ทุกกับภาพยศดสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสทุกข์ช่วงนั้นอนะ่ะพนันได้มาก็ยังทุกข์เลยออกก็ได้มาก็ยึดติดแล้วก็หัวงก็หวัวมันจะเก็บไว้ที่ไหนดีจะรักษาไงดีไม่ให้มันจางเราไปดูแลไงรักษาไงเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไป มองให้เห็นนียมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมสิ่งต่างๆให้อยู่กับเราให้ดีกับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปหมดไปเราพยายามเล็กๆถึงตายรักอยู่เรื่อยๆอันนี้จังทุกขงังอนัตตาอันนี้หนละปัญญาที่แท้จริงปัญญาทั้งโลกขอให้เรียนจบพ h เอดีมาเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นอะไร ก็ยังต้องทุกข์อยู่ถ้าไม่เห็นตายรักเนะี่ยแต่ถ้าเห็นตายักแล้วไม่มีวันที่จะทุกข์กับอะไรเพราะใจจะไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากจะได้อะไรเนะี่ยจากสิ่งต่างๆในโลกนี้กานที่จะทําให้ใจไม่ไปยึดติดไม่ต้องการอะไรได้ก็ต้องสร้างความสุขใน ใ, นใจให้เกิดขึ้นก่อนสร้างความสุขใ น, ในใจด้วยการปฏิบัติสมาธิทาใจให้สงบ พอใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องอาศัยความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้พอมีปัญญาสอนใจว่าเป็นทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นความสุขชั่วคราวก็ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสุขที่ถาวรดีกว่าก็คือความสงบในใจเราเนี่ยที่ต้องการให้ปฏิบัติมากๆก็สร้างความสุขในใจก่อน ถ้ายังไม่มีความสุขในใจถึงแม้จะเห็นเห็นตายแล้ว ก, ก็มันก็ยังปล่อยไม่ได้ยังอดอยากไม่ได้เพราะมันหิวใจมันหิวแต่ถ้าใจมันอิ่ด้วยความสงบแล้วมันก็มันก็สามารถจะอดหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งอื่นได้เด็นไปพอเรารู้แล้วก็อนี้ไม่ไปดกว่แล้วอยู่กับความสุขที่เราได้จากความสงบดีกว่า ต่อไปเราก็ตัดความอยากต่างในใจหมดเลยไม่หลงเหลืออยู่เลยพอหมดความอยากในใจใจที่เคยวุ่นวายไปกับความอยากก็สงบโดยธรรมชาติอัตโนมัติไม่ต้อเลนยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากซึ่งได้รับการกำจัดด้วยปัญญาพอใจหมดความอยากใจก็สงบสุขไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเข้าสมาธิแล้วไม่เข้าสมาธิก็ก็มีความสุขยตลอดเวลาใจ น, นี้นะที่ไม่มีความอย่ากในวันนี้ผ่านเนะทันรู้ทันความจริงใจก็จะปล่อยวางทุกทุกอย่างในสามโลกสามสามโลกโลกโล ก, โลกกาตนี้ได้ปล่อยวางการรมมาพบปล่อยวางรูปภพบารุประพุทธแล้วก็เข้าสู่นิพพานไป พยายาพิจารณาตายรักบ่อยๆแต่ก่อนนั้นก็ต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิด้วยต้องให้ได้สมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญา้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีเหมือนคนไม่มีแรงมีปืนอยู่แต่ไม่มีแรงแบกปืนไม่มีแรงแบกจับปืนถ้าไม่ได้กินข้าวอดข้าวเนีมันหิวไม่มีเรี่ยวมีแรงอย่างที่ไม่มีสมาธินี้ไม่สามารถหยุดความอยากได้ เมื่อปัญญาจะสอนนั้นต้องยิงตัวนี้แล้วยิ ง, ย, งยิงความอยากแต่มือไม่มีแรงที่จะไปบ้านไก่เข้าใจครับ็มอครบเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับพระอาจารย์กลับมาพวกคุณอย่างสูงครับอสมาธิสติกับปัญญาสติก็เพื่อให้ได้สมาธิปัญญาก็เพื่อให้เห็นทุกไม่เหว่าทุกอย่างเป็นทุกเห็นตายรับ มัอนตายรก็ตัดได้ถ้ามีสมาธิถ้ามีสติที่กำลังที่หยุดจิตได้หยุดความอยากได้มันก็หยุดได้ให้ฝึกสติให้มากๆโอเคนะครับบอขอบคุณคนอย่างสุดครับท่านต่อไปคุณบอสเชิญคุณบอ ส, อบบอสไม่ทราบอยู่ที่ไหนมาจากไหนก่านน้มาสการครับพระอาจารย์ครับผมบอสนะครับมาจาก จัะมาสมุดสงครามครับป้าจาย์อันนี้มีครับครั้งแรกใช่ไหมที่เข้ามาใช่ครับอาจารย์มีอะไรไหมครับพอดีเป็นแฟนคลับป้าจาันกันมาสามปีแล้วครับโดยปกติแล้วเราก็นั่งสมาธิภาวนากันวันละหนึ่งชั่วโมงครับ ม, มีช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาปรับเวลาเพิ่มเป็นสองชั่วโมงต่อครั้งครับแต่ปัญหาของผมนี่คือ พอตอนใกล้จะครบเวลาสองชั่วโมงเ อ, อ่อสติที่หัวคำบริกรรมพุทธโทเนี่ยตอนนั้นมันจะเริ่มอ่อนตัวประกอบกับเวทนาที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิมันก็เริ่มรุนแรงขึ้นครับจึงทำให้ผมต้องขยับก่อนครบสองชั่วโมงแปบ๊บหนึ่งทุกครั้งเลยครับอาจารย์ผมจึงอยากเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าผมควรจะสู้โดยการดูเวทนาความเจ็บปวดนั้นหรือว่า คนจะกลับมาอยู่ที่พุทโธครับอาจารถ้าอยู่ที่พุทโธได้ก็อยู่กับพุทโธไปแต่ถ้าเราจะพิจารณาเวทนาก็พิจารณาว่ามันเป็นไทรรักมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยวเดี๋ยวมันก็ดับเองอย่าไปอยากให้มันดับปล่อยมันตอนนี้มันไม่ดับก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะมันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเหมือนฝนตกขณะที่ฝนตกเราจะไปอยากให้มันฝนหยุดมันก็มัน มันก็ไม่หยุดตามความอยากของเราแต่ความอยากของเราจะทําทให้เรากระวนกระวายกระสับกระส่ายทําให้เราทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเลอะมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราปล่อยวางถ้ามันใจเรายังไม่ยอมปล่อยวางก็แสดงว่าเราขาดสติแล้วก็กลับมาหาพุทโธพุทโธต่ออยู่กับพุทโธพุทโธให้ใจเฉยเฉยไม่ไปก่อความอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไป พอใจอยู่พุทโธสักยะหนึ่ง ใ, ใจก็สงบความอยากที่จะให้ความเจ็บนั้นหายไปมันก็หมดไปความทรมานใจก็หายไปก็อยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายพอใจเข้าใจหลักการไหมพอเข้าใจกับอาจารย์ครับผมแล้วการตั้งฐานจิตครับอาจารย์ฐานจิตนี่ปกติแล้วควรจะตั้งไว้ที่อยู่ตรงหน้าผากหรือว่า เป็นที่น่าพูนี้นครับอ<ร>าจารย์ฐานจิตเราไม่ตั้งไปตั้งหรอกมันเวลามันสงบมันจะเข้าฐานอยู่มันเองฐานจิตมันก็คือความสงบนัเราจิตเราไปตั้งมันไม่ได้เราตัง้งเราตั้งกรรมฐานได้ตัง้งใช้กรรมฐานเป็นที่ตั้งของขอ ง, ของสติให้เราเรื่อยอยู่กับกรรมฐานเช่นเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไป ใหจิตอยู่กับพุโทโธไปเพราตอนนี้จิตมันยังไปไม่ถึงฐานมันต้องมีอะไรพาเข้าไปสิ่งที่พาจิตเข้าสู่ฐานก็คือกรรมฐานพุทธานุสติกับพุโทโธท่านดูลงก็อาณาปนาสติก <S S S 2> อ่ะเราจะอาศัยกรรมฐานดึงจิตให้เข้าสู่ฐานคือความสงบด้านของจิตก็คือความสงบ อาจารย์ครับอาจายเข้าใจไหมพอเข้าใจครับอาจารย์ถ้าเจอทุกขเวทนาก็ถ <travail> ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้หรือถ้าสติเรายังมีกําลังไม่พอต้องใช้สติก่อนให้พุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับเวทนาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอาจจะต้องบริกรรมไว้ถี่ขึ้นเร็วขึ้นหน่อย เพื่อที่จิตไม่ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บให้มันเปินความเจ็บไม่ได้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแต่ถ้ามันอยู่แบบต่อเ น, นื่องไม่ไปคิดอะไรเดยวจิตมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ด้วยด้วยพุโทโธเนี่ยครับแล้วพอมันสงบแล้วเมตนาบางทีก็หายไปบางทีก็ไม่หายแต่จิตไม่วุ่นวายไปกับมันจิตอยู่กับมันได้ครับ เวลาเรามีสติกำลังขนาดนี้แล้วต่อไปถ้าเราเจอเวทนาเราจะใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นตายรักก็ได้แล้วก็สอนจิตให้อยู่กับมันไปครับอย่าประหยัดนี้อย่าประยาดให้มันหายอยู่กับมันไปยินดีต้อนรับเป็นเหมือนเพื่อนเก่าเพิ่นมาเยี่ยมเยียนก็ต้อนรับเขาครัถ้าทําถ้าเราทําใจเฉยได้ถ้าเรายังทําใจไม่เฉยไม่ได้ กำลังสมาธิมันยังไม่พอกาลังก็ต้องกลับมาสร้างกําลังสมาธิให้ใจเฉยให้ได้ก่อนครับผมมีอะไรไหมครับขอโอกาสสอบถามปาจารย์กำลังนะครับคือช่วงปีนี้ผมขอโอกาสถามเรื่องเกี่ยวกับความฝันได้ไหมครับผมมีความฝันถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงสองครั้งมีช่วงหนึ่งท่วงพฤษภาคมผมฝันถึงหลวงตามหาบวัวคลายกล้วยออกมา ตรงฐานล้างมือไม้ผมกินกับครั้งที่สองคือวันจันทร์ที่ผ่านมาผมฝันถึงพระอาจารย์สุชาติพระอาจารย์มาบอกผมว่าก่อนจะทําอะไรตั้งหลักใจให้ดีแล้วก็เอามือมาวางที่หูวผมความฝันแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ความฝันหรือว่าเป็นเพราะเหตุใดครับรอาจารย์คือมันจะเป็นอะไรไม่สําคัญนะอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาสิ่งที่เราได้รับรู้นี้มาทําให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ มาสอนใจเราได้หรือไม่เป็นมีมีธรรมะคติธรรมะในในในสิ่งที่เราเห็นหรือไม่ถ้าเราไม่เห็นไม่มีอะไรเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปพิจารณาเป็นตายรักไปพอมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรเพราะเราก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมใช่นั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือความฝันที่มันปรากฏมันเป็นเรื่องเป็นราว เราสามารถเอาเรื่องราวที่เราเห็นในฝันนี้มาใช้ประโยชน์กับเราได้หรือไม่ท่านนั่นเองถ้าสามารถามาใช้ได้ก็เอาไปใช้้เอามาใช้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปปล่อยวางอย่าอามาแบกอย่าว่ า, านั่งคิดตั้งขอบคิดให้เหนื่อยให้เสียเวลามันเป็นการปรุงแต่งของจิตกลับมาเจริญสติพุโทโธจะดีกว่าทาใจให้ว่างให้สงบดีกว่า พอจะเข้าใจัหมประจัยคระอาจารย์ขออนุญาตสอนภาวนาได้ไหมคะอาจารย์ <c oughs> ได้ได้เจอเลยคือตอนนั่งภาวนาค่ะมันเห็นกายจิตแล้วก็ผู้รู้เด่นชัดสามตัวค่ะอาจารย์เออแล้วตอนเนี้ยคะ่ะเวลาไปไหนก็จะเห็นจิต ด, ดวงนั้นตรงหน้าตลอด แล้วก็ส่วนกายก็ทํางานของมันไปมันทําคนละหน้าที่กันนะคะพระอาจารย์แบบนี้แบบเนี้ยถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะคือจะว่าถูกต้องหรือไม่ก็ต้องดูว่าเวลามันทุกข์ขึ้นมาเราดับความทุกข์ได้หรือเปล่า <c oughs> การปฏิบัตินี้การเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงส่วนประกอบเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เราเห็นทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร แล้วเราละความอย่างเห็นนั้นให้ได้หรือไม่เพื่อให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันฉะนั้นถ้าเราทุกข์กับเวทนาอย่างที่เมื่อกี้พูดคุยกันเราก็ต้องพิจารณาว่าที่เราทุกข์กับเวทนาเพราะอะไรก็เพราะเราอยากให้มันหายไปใช่ไหมแต่มันไม่หายแล้วเราจะทำยางไรเราก็ต้องยอมรับือนว่ามันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปก็สอนใจเราอยู่มันอยากไปอยากให้มันหาย อันนี้คือประเด็นสำคัญของการปฏิบัติถึงมันจะเห็นกายเห็นจิตเห็นอะไเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะ่ะถึงแต่ว่าการเห็นเหล่านี้มันมันอาจจะสอนให้เรารู้ว่ากายเป็นไม่ใช่เราถ้าเห็นกายกต้องบอกพิจารณาว่าไม่ใช่เรามันจะเจ็บมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเราดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป อาจาใจไหมอย่างนี้คือการปฏิบัตินี้เราเป้าหมายคือของเราคืต้องการเห็นเห็นทุกและเห็นว่าทุกนี้เกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อที่เราจะได้ระงับความทุกข์นี้ด้วยการไปหยุดสาเหตุของความทุกข์พระเจ้าบอกความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากได้บ้างอยากไม่ได้บ้างอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นไป พอมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากมันก็ทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องอยากไปอยากเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจ์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะ อ, อาจารย์อย่าไปลงประเด็นเดี๋ยวมันมันไม่มั น, มน มันไปหลงติดเข้าไปเข้าใจเห็นกายเห็นจิตแยกกันแล้วจะจะจะบรรลุธรรมนะมันไม่บรรลุหรอกมันจะบรรลุธรรมต้องบรรลุที่ที่การเห็นเห็นทุกขส ม, มุทัยนีร้รุนแรงเห็นอริยสัจสี่ถ้าเห็นกายก็ต้องเห็นว่ามันเป็นตายรักมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดมันเราต้องปล่อยวาม เห็นเวทนานะก็เหมือนกันมันก็เป็นของไม่เทียมมันเกิดเป็นอนิจจังทุกขนน์ขันธ์ตาเราต้องอย่าไปทุกข์กับมันมันต้องปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางมันเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไปอยากมันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ น, น ะ, นะต้องเข้ามาที่ประเด็นที่อรายยาิยสัจกับใจแล้วอันนี้ถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่เราจะสามารถนะครับ ความทุกข์ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความกังวลใจกับความไม่สบายใจย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจว่ามันเกิดจากความอยากของเราใช่ไหมอยากอะไรอ่ะอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พเพรามันไม่แน่นอนว่าจะเป็นหรือไม่มันก็ทําให้เรากังวลใจขึ้นมาเราก็มองความจริงว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือความแก่เจ็บตายตนี่ไม่พ้นความแก่เจ็บตาย ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไปหวังอะไรจากสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ถ้ามันไม่ได้บางคับงมันไม่ได้ต้องปล่อยวางเท่ า, านั้นใจถึงจะไม่ชุกกัมันอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอะไรจะไม่เกิดก็ปล่อยมันไม่เกิดไปค่ะประจัยประจายไ้ยมใช่ค่ะ กลับมาดูที่ใจนักดูที่อริยสัจดูที่ใจเราว่าใจเราตอนนี้มีความอยากอะไรหรือเปล่าอืครับพอมีความอยากใจเราจะไม่สงบแล้วใจเราจะกระวนกระวายกระสับกระสายขึ้นมาตอนนั่งไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีก็ดีแต่ตอนออกจากเวลานั่งเนี่ยมันจะมันจะมีตอนที่เราออกจากสมาธิค่ะตอนนั่งเรามีสติคุมมันไว้แต่พอออกจากสมาธิสติเรามีไม่มาก มันก็จะพอเราจะต้องไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวกิเลสมันก็แทรกออกามาพอเราไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กิเลสมันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีอ่าฉงนั้นต้องต้องรู้ทันกิเลสได้จ้ะค่ะอต้องมองให้เห็นกิเลส กายเวทนาจิตเห็นมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปรญหาอะไรเท่าไหร่ต้องเห็นกิเลสที่ไปยุ่งกับกายเวทนาจิตอืมอืมค่ะพอ า, าจารย์มีอะไรไหมหมดคำลาจบขอบคุณครับผ ม, ม, อมโอเคสาวเนะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะยศ มันก็มันมันจะมีประสบาการณ์ไป เ, เรื่อยเรื่อยมันจะเห็นถ้าเรารู้เปล่าเราว่าเราต้องเห็นอะไรดูอะไรเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองมันมันไม่อยู่ในใจเราลตลอดเวลากิเลสเราโกรธเราอยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้เพียงแต่เราไม่ไปมองมันเท่านั้นเองไม่เลยมองไม่เห็นกิเลสมันฉลาดมันหลอให้เราไป ม, มองอย่างนั้ น, น, นเลยมันไม่อยากให้เรามองกิเลสของเรากิเลสคนกิเลสของคนหนึ่นมองเห็นอยู่โอ้คนนั้นโลภแล้วกันคนนั้นโกรธแล้วกันแต่ว่าเราเราโกรธนี่มองไม่เห็น เชื่อไหมเหมือนน่า <Okay. S 1> ตารเรานี้ถ้าไม่มีกระจกเราก็มองไม่เห็น <Okay. S 1> ใช่ไหมใจเราก็เหมือนกันการจะเห็นกิเลสเราก็ต้องมีกระจกกระจกก็คือธรรมะของมูลเจ้าก็คือสติปัญญาเี่ยสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นกิเลสของเราพ mm hmm. ยายามฝึกสติสอนปัญญาคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้เกิดทุกข์แล้วก็แสดงว่าเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วพอเกิดกวามไม่สบายใจขึ้นมานิดเดียวก็ เกิดทุกขึ้นมาและเกิดกิเลสแล้วเราไม่ไม่มพอใจอะไรหน่อยก็เป็นกิเลสขึ้นมาแล้วดีใจก็เป็นกิเลสมันต้องอยู่เฉยๆต้องเหมือนขณะที่ในสมาธินิ่ ง, งๆเฉยๆนะเราไปปฏิบัติดูขอบพระคุณขอบพระคุณครับอาจารย์โอเคสาธุไปที่ไชน่าคุณสาธิกา ตามคุณท้าพอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะอข่าวสารทาอะไรพิเศษบ้างรืเปล่าหรือไม่ต้องทำนะเหมือนกันเหมือนกันก็มาภาวนาอยู่ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่วังเขาเลยจ้าสิบวันอ่าสิบวันก็ดีช้าทุกๆดีไหมดีกว่าอยู่ที่บ้านไหมดีกว่าสบายดีแต่ที่บ้านเกลยดทีมัน ที่บ้านเป็นที่ทําข้อสอบนะใช่ที่บนขังเป็นที่ทําการบ้านนะอยู่บนขง<ะ>ังเพา่อทการบ้านค่ะเสร็จแล้วก็เดึกกลับลงไปจำสู้กิเลสต่อกลัไปทาข้อสอบต่อนะอ่ะโ <Okay. S 2> อเคถ้ทุกไม่ยังฝึกสติฝึกสมาธิให้เยอะๆนะแล้วพิจนารณาไปนะค่ะอาจารย์พรหมพิไลอยากกอทมอ กูอันนี้กูไม่ยังไงแต่เนี่ยงานงานมาสักการมาอาจารย์ค่ะยังไม่ขึ <S <S <S ้นเลยยังไม่ขึ้นไม่ไหวค่ะบานมาสักการอาจารย์ยังไหวอยู่ค่ะเรียบงายนะอันนี้ไปไหนมาไหนก็คงไม่ก็อยสะดวกนะมีชักคนเคยชักคุนเคยก็อีสปอร์ตอาทิตย์นี้ก็ ไปจบทุกวันมาแล้วอก็เมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์เป็นครั้งแรกที่ไปเจอน้องๆตั้งแต่วันตุรจีนะก็ดีได้พบพี่ยาพี่น้องกันค่ะดีที่ได้พบยาพี่น้องกันค่ะคสองวันติดกันค่ะอดีคทุกคนก็ได้ได้เห็นหน้าพี่หนูหน่อยนึงว่า ยังสุขสบายดีหน้าตาสดชื่นออทุกคนก็เปลี่ยนไปหมดนะหน้าตาจากสมัยที่เป็นเด็กมาสมัยนี้โ<อ>นคนแล้วคนไปนเลยนะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สามเดิมทีมีสีต่ตุ๊กขายไปหลายปีแล้วครับ ม, มันก็จะต้องค่อยเหมือนใบไม้นะ่ะในไม้น้าใบไม้ล่วงมันก็ค่อยล่วลาามไปละใบสองใบ ตอนนี้เราพิจารณาตัวเราเรารู้สึกว่ากำลังกายคิวกำลังรอคิวอยู่ค่ะก็ต้องปล่อยมันไปไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นอะไรเราเพียงแั่ผู้มาใช้มันอ่าในเวลาจะต้องให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมก็ต้องปล่อยมันไปสภาพเดิมของร่างกายก็คือดินน้ำลงไฟตอนนี้ก็ต้องเร่งรีบไป เหมือนใบไม้บนต้นไม้เนี่ยใบไม้ใบไม้เดี๋ยวมันก็ร่วงลงมาแล้วมันก็ผุกลายเป็นเดินไปมันเด็นว่ากลับขึ้นมาเป็นใบไม้ใหม่ก็หวังว่าภพชาติต่อไปยังได้เจอผู้ศาสนาอยู่ค่ะอก็เราสามารถทําให้มันเจอได้ตลอดเวลาด้วยการนําปฏิบัติให้มันเข้ามาอยู่ในใจเราค่ะพอเป็นโสดาบันแล้วที่นี่มันก็จะอยู่ในใจเราไปตลอด เราพยายามวิ่งเข้าไปสู่กระแสค่ะอ่าค่ะอ่าัวอยู่ในใจแล้วเราไปก่ชาติหน้าไม่มีศาสนาก็ไม่เป็นปัญหาเราเมีศาสนาติดตัวไปกับเราอยู่แล้วค่ะอืมเรเล่นสปีดทุกวันค่ะเราคิดว่าสปีดคงไปไปได้ได้สวยอยู่ค่ะดีจ้คะโอเคนะค่ะครับอาด้รยไปที่คุณตาย พัทยาเชิญง้อมกาบนมันสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไไวันนี้ไม่มีอะไรเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ยังรักษาซีนอยู่รักษาอยู่ค่ะแล้วก็ที่ถามปัญหาวันวันที่นากุตินั้นก็กระจ่างมากขึ้นก็ปฏิบัติได้ถูกทางมากขึ้นค่ะพระอาจารย์อบางทีมันเป็นเรื่องนิด นิดเดียวที่หนูแขง่ขงแข่งแข่งใจก็ก็หลุดหมดนะคะก็นั่งสมาธิตอนกลางคืนดได้ได้ได้เวลามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แต่พยายามทําทุกวันคะ่ะ อ, อทําไปเรื่อยๆต่อไปก็จะชํานานขึ้นเหมือนถอดว่นนะถอดไปไปวาย ๆ, ๆ, ๆต่อไปก็ชำนานแต่มันชอบออมีน้ําลายยมก็ไม่รู้เป็ น, ย, ปนยังไงปล่อยเปนลายไปไม่ต้องไปกังวล พอเรานั่ง้วมันเราไปสนใจกับน้ำลายมันจะไหลก็ปไปมันไหลไปมันไม่ไหลแล้พะพอเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็มันก็ไม่งพอเรายิ่งคิดมันยิ่งไหลใหญ่ดังั้นอย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธหรือกลับมาที่อะไรก็ได้ที่เรากําลังทําอยู่พอเพุโทโธก็กลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันจะไหลก็ปไปมันไหลไปพอเราไม่ไปสนใจแล้วมันก็หยุดไหลเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็พยายามก้าวข้ามตรงนี้ตรงนี้ไปให้ได้ค่ะ<อ>ข อ, นะขอคุณพรอาจารย์คอยู่กับพุโทโธไปแล้วรับประกันได้ข้ามไปได้อย่างแน่น<ค>อนเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุในที่คุณยายกับน้องสันโดษนี่สันโดษทำไมไนนี้ผมบังหน้าเอานะี ผมยาวตอนหลังผมยาวครับอาจารย์เอช่างตัดผมคนโปรดเขาหนีกลับต่างจังหวัดผมไม่มีช่างตัดผมอันนั้นก็ได้เอามีดโกนมาโกนอย่างเดียวอาจารย์เดี๋ยวก็ต้องโกนแล้วเดี๋ยวไปรอรอแล้วครับครับผมปมญใส่าสบายดีอ่า หายก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะว่ายพระทุกวันนะค ะ, ะจดมนุษยนด้วยป่ะจดมนุษย์ด้วยค่ะนั่งสมาธิ <ใน S 1> ด้วยนั่งสมาธิด้วยหรือเปล่าพรอาจารย์คะทำด้วยค่ะทํานะโอเคดีมากใช้ทําทุกวันเลยค่ะพยายามรักษาใจสงบอยู่เรื่อยๆน ะ, อ, ะอย่าให้ใจตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวกับอะไร <laughs> ถ้าใจสงแล้วปลอดภัยถ้าาจรย์สงบแล้วก็ไม่ปลอดภัยแล้วยายก็ไม่ได้ยุ่งกับทรายเลยค่ะอีครับครับผมพระอาจารย์เอาวันนี้พาคุณยายเข้ามากราบพระอาจารย์ฮะอตอนนี้การบ้านยังคะแนนไม่ค่อยเต็มเดี๋ยวรอเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารายงานโอเค ครับผม เ, เก็บ<อ>ผมไปลองทรงผมใหม่นะครับอาจารย์ตัดได้เอาไม้มเอามีกวนมกวนออกไปเลยกวนอาจารย์รยที่เอาเอาลองทรงสูงก่อนเนาะอาจารย์เนาะแล้วค่อยแล้วค่อยไปทีละขั้นตอนเราไม่ควรหักผมครับผมอาจารย์พูดเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวทําครับผมอาจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่า ก, กัน ทำไมผมนี่มันเป็นของที่รักสมหวนกันแล้วเกินนะฮวงกันแล้วเกินก็เปิดสูมาวันนี้ว่าจานสั่งก่นเลยผมองขได้ฟังเขาเวลาทําใจแป๊บนึงว่าจานแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาว่าราวเดี๋ยวว่ายังยึดติดกับร่างกายนี้อยู่ก่อนโอ้โหว่าจา์กันบ้านยากแท้เขาสอบยากมากเลยอะงานกันนี่ยากผมกันนี่ ปล่อยวางไม่ได้เกิาก็ไปบวชไปบวชนีมันก็เคยโกอยู่นะทำไมโอ้ยพัชันตอนผมกลับมาเนี่ยนะโดนล้อโดนแกล้งตีหัวโอ้ยผมนี่เหนื่อยใจแต่เดี๋ยวลองดูกันเลยครับพัชันอย่าจะสร้างบารมีก็ต้องเนี้ยบ้านบารมีบารมีบอเกิดนะถ้าอยากจะมีขันติบารมก็ต้อง ให้คนเข้ามา <c oughs> ครับอาจารย์แตโอเคครับโอเคครับโอเคนี่รัจานะ <c oughs> ครับผมอาจารย์อาจารย์น่ากันอย่างแรงครับ <c oughs> ไปที่คุณหมอสุทสัศรีคุณหมอ <c oughs> กกรำมรสรำประจาจารช้ามไม่มีคำถามค่ะ มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหยังไม่มีเจ้าค้าอม่มท่านอาจารย์เดี๋ยวถ้ า, า่างั้นมีคําถามนิดนึงค่ะพอดีว่าอ่าแฟนเขาสงสัยค่ะว่าเกี่ยวกับตัวเขาเองค่ะอะคือเขาบอกกับลูกว่าเขามั่นใจแล้วก็ศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เชื่ออเชื่อแบบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตแต่ว่า ทำไมจิตใจนั้นยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เพราะอะไรทั้งๆ ท, ท, ที่แบบก็รู้ว่ามันมันไม่ดีค่ะเพราะยังไม่ปฏิบัติตามความเชื่อถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าร้0เอร์ซ็ก็ต้องไปบวชตามพระพุทธเจ้าเป็นเชื่อแต่ปากแต่การกระทายังไม่ไปไม่ถึงจุดนั้นคนที่เชื่อพระพเจ้าร้อเปอร์เซ็นตพระพเจ้าบอกการบวชนี้ดีที่สุดเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปบวช ใช่ไหมเข้ายังเข้าใจเจ้าค่ะเชื่อแต่ยังไม่ทำตามเชื่อบอกไปไปบวชกันมักแปบะบสมาธิไปเนี่สินสมาธิปัญญาให้ไปปฏิบัตินะฮะไปบวชกันจะได้เป็นนิพพานกันอันนี้ยังเชื่อเชื่อแบบ เชื่อเชื่อทางป่าไม่เชื่อทางความคิดยังไม่ได้เชื่อทางการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ต่อไปความโลภความหลนความอยากต่างๆจะหายไป ห, หมดนมันไม่ได้หาจากความเชื่อเฉยๆเชื่อแล้วต้องปฏิบัติตามคําสอนนีะถึงจะบรรลุทำได้ถึงจะกา จ, จัดกิเลส ต, ตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ เจ้าค่ะเดี๋ยวพุชจะนําไปไปบอกที่เข า, ขา <c oughs> เจค่ะเดี๋ยวก็จะตกใจทิ <c oughs> จ้งขนธ์นั้นเลยเหรอต้องเชื่อขันธ์นั้นเลยเอา้าวก็อบอกร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเขาเชื่อแต่ทําไมมันความเชื่อกับการกระทามัน ม, มันต่างกันใด้เจ้าค่ะว่าเขายังเชื่อกิเลสอยู่เวลาเวลาเขาทามันก็ทําตามกิเลสเขาไม่ได้ทําตามวุธเจ้านีเจ้าค่ะอืมนะ กิเลสก็ยังอยู่ต่อไปได้ถ้าทำตามพระเจ้าแล้วกิเลสมันก็อยู่ในใจเราไม่ได้มันก็ถูกทำลายหมดเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะส่วนลูกเองก็พรรษานี้ก็ตั้งใจจะเจริญสติแล้วก็ปฏิบัติสมาธิให้ให้หนาแน่นขึ้นกว่าเดิมเจ้าค่ะอ่าต้องเพิ่มความเพียง การเปลี่ยนเท่าเดิมผลมันก็ยังยังอยู่เท่าเดิมอยู่อยู่ระดับเดิมอยู่ถ้าอยากใช้ผลมันขึ้นสูงกว่า น, นี้มันก็ต้องเพิ่มความเปลี่ยนให้มากกว่า น, นี้เจา้าค่ะนํานําไปปฏิบัติเจ้าขาดท่านผู้อาวุโสคุณเจ้าอ่าคุณหมอภาสนาภาษานี้มีข้อเพิ่มความเปลี่ยนอะไรไหมอ๋อมีค่ะผูาา้อาวุโสก็ปกติ อใจนี่ไม่ต้องไม่ต้องนอนใช่ไหมคะเพราะใจมันตื่นตลอดใช่ไหมคะก็เลยพรรษานี้ก็ว่าจะในสัญชีทุวันพูดค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่เพื่อจะทนในสัญชีที่บ้านได้ไหมอาจารย์แล้วก็ถ้าไปวัดก็ค่อยไปในที่วัดค่ะอืมเพราะว่าใจไม่ต้องไม่นอนใช่ไหมพระอาจารย์มันก็ต้องพักในสมาธิใจในสมาธิเป็นที่พักพอยแต่ร่างการมันก็ต้องพักกว่านอนอนรักษาธาตุขันธ์ของทงกายเฉยๆค่ะ ก็เลยว่าจะในสัญเชื่อเดี๋ยวค่อยมารายงานก็จะทุกวันพุธว่าเหมือนที่โกเล็กๆนะพระอาจารย์พอฟังพระอาจารย์เสร็จก็ก็ก็นั่งต่อเลยนั่งสมาธิต่อจะนั่งอย่างเดียวนะพระอาจารย์ไม่เดินลองลองดูเขาที่แล้วเอาแค่เอาแค่เอาแค่สัญชิก่อนนะคะพระอาจารย์ก็ขอเดินเดินนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรายงานเสร็จปุ๊บก็กะว่าน่าจะยาวพยาวถึงสามเดือนได้พระอาจารย์ผมก็จะเขียน ให้เห็นมากผลก็มากเห็นน้อยผลก็น้อยนะคระอาจารย์ฐานธาตอนที่นั่งเนี่ยเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วก็วิบัตินาต่อได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์สติปัฏฐานแล้วก็ดูไปเลยใช่ไหมครพระอาจารย์เพราะมันจะสงบมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจะให้นั่งสมาธิอย่างเดียวก็อยู่ว่าเราทํางาญทางสมาธิสามารถเข้าสมาธิได้ตามเวทตามที่เราต้องการหรือไม่แต่ยัง ยังยังต้องสู้กันอยู่ก่อนจะเข้าสมาธิได้ก็อาจจะต้องฝึกสติให้มากขึ้นมาก่อนถ้านัาาา่งปุ๊บก็ลงได้เลยอ่าถ้านั่งปุ๊บลงได้เลยไม่ไมลงก็สติปปสาาออกมาได้เลยเออกมาก็จะคิดทางปัญญาบ้างก็ได้คิดใจนักพิจารณาร่างกายพิจารณาสุภาษัยไปอาจารย์รจะลองลองน้องทางําไปปฏิบัดิูนะคะอาจารย์ค่ะเนี่ยจะเริ่มคืนนี้วันแรกเลยค่ะอ่จารย์เ คุณนิสาอยู่ที่ราซแงเจลิสกล่าวในมัธ ก, การค่ะพระอาจาร ย, ไยา์ไม่มีคำถามอะไรค่ะก็พยายามจะเพิ่มวันให้มากขึ้นกับการ น, นั่งนิ่งๆนะคะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ทำอยู่สองวันนะคะจะเพิ่มพอดีที่ที่แล้วต้องพาล่างกายไปหาหมอค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยแบบ เออเดี๋ยวอันนี้อาทิตย์นี้จะเริ่มเหรอคะอาจารย์อืม ไ, ได้ได้ผลดีไหมได้ประโยชน์จากการถดแบบนี้ไหมได้ค่ะสําหรับลูกว่าดีค่ะอาจารย์ก็เหมือนกับเหมือนกับว่าตรงที่ว่าให้นั่งนิ่งๆก็เหมือนกับเป็นการบังคับให้นั่งสมาธิไปเลยค่ะอาจารย์ค่ะจากที่แบบเคยนั่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็เลยนั่งแบบได้เกือบสองชั่วโมงอะไรนะค่ะก็ ก็เหมือนมันก็บังคับตัวเองค่ะพระอาจารย์ใช่ว่าเราต้องมีสติเพิ่มมากขึ้นในการที่เราจะอยู่เฉยๆได้นะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ก็จะพยายามให้แบบระยะเวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มวันนะคะพระอาจารย์คดีก็ไม่พระอาจารย์พยายามเพียนนะความเพียนเป็นต้นเหตุของความสาเร็จนะค่ะพระอาจารย์ก็หยุนจาทุกข์ได้ด้วยความเพียน ค่พระอาจารย์แล้วก็มันอยู่นิ่งๆมันก็ทําให้เราคือคิดถึงร่างกายอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามปล่อยวางร่างกายไม่ทุกข์กับมันนะคะอาจารย์ทุกครังที่เราไปกังวลกับร่างกายต้องไปเจนน้ำมันไม่เที่ยงมันต้องแก่เกิดตายเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์ก็บางคือตอนคิดมันได้แต่วงบางครั้งมันมันแบบบางทีสติมันหลุดมันก็จะมีแบบ แ บ, แบบแบบไปแบบค่ะอาจารย์มีความคาดมีความอยากอยากไม่เป็นอยากไม่อะไรอย่างนี้แล้วต้งเียาปัญญามาตามต่อเลยไปอยากทำไมอยากรับทุกข์ค่ะอาจารย์ก็คิดว่าก็แล้วก็กลับมาย้อนว่าถ้าเกิดเราเราก็ต้องเป็นถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราปใจกับเพื่อนแสดงว่าเราสติหลุดแล้วก็เราจะต้องคือนั่งสมาธิให้มากขึ้นนี่นะคะอาจารย์อืม ปัญญาหายไปปัญญาการเป็นปัญญากลายเป็นสัญญาไปเป็นความจําไปเป็นอดีตไปต้องเป็นปัญญาต้องเป็นปัจจุบันนะครับอ๋มันไปเช็ตัวเราไปทุกข์กับมันทำไมนี่ยัยของเรามันไม่เที่ยงเลยคะก็พยายามจะคิดตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์เป็นใจเหมือนเดิมพอมันกิเลสมันพอเราเผยพักกิเลสมันมาหลอกมาทันที เขาเนตัวเราของเราไม่บาทันทีคือมันบางทีมันมันมันรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ตัดไปทันทีค่ะอาจารย์มันต้องเหมือนแบบแบบไม่ทันต้องอีกแบบไม่ทันไม่ทันกีเลตตรงนี้ค่ะลูกลูกรู้ตัวเลยค่ะก็เลยหย่อนไปเรืยเดี๋ยวก็ทันนั่นเองค่ะอาจารย์พยายามทําให้ทําให้มากที่สุดค่ะอาจารย์คิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลูกแบบต้อง สู้ของกีเลสตัวนี้มากๆค่ะแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นจะเห็นแบบอยากเรื่องราบยศสารอะไรพวกนี้ลูกลูกว่าลูกตัดได้ค่ะอาจารย์ขั้นต่อไปก็ต้องไปตัดร่างกายนี้่ถ้านตัดภายนอกนะแล้วแล้เรามาตัดร่างกายอันเวทนาทั้งตัวนี้ค่ะอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดกันแข็งแรงค่ะพระอาจารย์ทั้งตัวนีนะ้แล้วสบาย ลงอ่กใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยแล้วเราจะไม่ได้อยากอะไรอีกเลยอะค่ะโอเคดีสาธุอ่าไอที่คุณเดชญาอันนี้ก็คุณได้อยู่บนเขานะน้อมสักการค่ะพระอาจารย์ค่ะแม่อยู่ยังอยู่บนเขาค่ะออกลงจากเขาวันที่สามสิบค่ะ ยงไงพัดผ่าจากกันรู้สึกเหงาไหมรู้สึกเป็นห่วงไหมอ่าไม่ไม่เหงาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็มีมีกังวลบ้างเหมือนกันค่ะเป็นเป็นห่วงค่ะว่ามันหมายความว่าเวลาทิศทุกครั้งที่แม่ออกจากบ้านหรือพ่อออกจากบ้านหนูก็คิดตลอดค่ะว่ามันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้เสมอระหว่างทางหรือว่าทุกๆุกวินาทีค่ะมันก็มีการพัดผาาจากกาันก็วิว ว, วิค่ะไม่ แล้วก็สอนใจตัวเองตลอดค่ะอย่าว่าจะออกจากบ้านเราอยู่ในบ้านด้วยกันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็นได้ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีคุณแม่ของเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาก็หลับเสียชีวิตตอนนอนอะนะค ะ, ะเพื่อนเขาบอกว่าเขาออกมาแล้วก็เจอว่าเห็นแม่เขานอนนิ่งๆแปลกๆเพราะตอนที่หนูเห็นเวลาออกจากแบบเดินผ่านคุณพ่อเห็นคุณพ่อหลับหนูก็อชอบจ้องดูตลอดเลยค่ะว่าพ่อยังหายใจอยู่หรือเปล่า เพราะว่าแบบก็มองแล้วก็แล้วก็ไปแอบมองข่อค่ะว่าเออเดี๋ยวถ้าพ่อไม่หายใจก็ต้องต้องยอมรับให้ได้นะคือมันทุกวินาทีเลยค่ะเพราะว่าค่ะพระอาจารย์ต้องสอนใจภารนาติอยู่เรื่ๆความตายเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีทุกแห่งทุกคนค่ะพระอาจารย์ ม, มีคำถามค่ะพระอาจารย์ เกี่ยวกับการปฏิอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละค่ะคือว่าหนูเคยฟังธรรมะหน้ากุติมีคําถามคําถามหนึ่งของพระ้าจารย์ที่มีคนถามพระอาจานนะคะว่าในผ่ะบอกว่า อ, อน้องสาวเ้าอะค่ะรักคนเทศเดียวกันแล้วถามว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ทุกใจมากเลยถามว่าคุณน้องสาวเขาจะบาปหรือเปล่าผ้าจานบอกว่า น้องสาวไม่ได้บาปอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรอะคะ่ะอาจารย์เป็นรสนิยมส่วนบุคคลค่ะหนูก็เลยเออมีคําถามค่ะว่าการที่อยู่ร่วมกับพ่อกับแม่อย่างเช่นเด็กๆอะคะ่ะเราจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่ากับอีกความคิดหนึ่งก็คือหนูก็มีชีวิตเป็นของหนูหรือเรามีชีวิตเป็นของเราคําสอนไหนที่เราควรจะต้องฟังหรืออันไหนที่เราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องฟังก็ได้เพื่อจะได้ปรับมาใช้อยู่ร่วมกันได้อะคะ่ะอาจารย์ ก็คําสอนถ้าสอนตามที่พระเจ้าสอน ก, ก็เชื่อฝั่งได้ถ้าสอนขันหลักคำคำสอนของพระเจ้าก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้ด้วยนะ๋ยวถ้าท่านสอนให้เราเป็นคนดีให้เราอ ร, รักษาศีลให้เราทําบุญทําทานภาวนาอย่างก็เชื่อได้แต่ถ้าข้าบอกถ้าต้องมีครอบครัวนะต้องมีผัวมีลูกเนะี่ยอย่างไม่เชื่อก็ได้ แต่ว่าก็ห้ามห้ามเถียงใช่ไหมคะก็ยิ่งก็ไม่อเจ้าเราก็เดิเฉยๆไปส่วนเราจะทําอะไรก็เรื่องของเราไม่ต้องไปเถียงท่านท่านอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยท่านพูดไปแล้วก็ฟังไปรับฟังไปข้าข้าคำว่าข้าไม่ได้ไหมายความจะทําตามนะข้ามานแต่ก็ยินดีรับฟังค่ะอ๋อค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะจะได้จะน้อมนําไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบางิีก็กลัว ทำอะไรแล้วจะบาปหรือเปล่าก็เลยถามพระอาจารย์ให้เลี้ยครับก็ถือว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ออกบุญนะพ่อของพระเจ้าไม่อยากให้บวญไม่อยากให้บวญใช่ไหมค่ะใช่ถ้าทงนี้ถ้าทองหนีไปค่ะนั้บางยี่บางสี่บางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยมันก็มันไม่เกี่ยวมันเรื่องของเราใช่ไหมเห็นไหมว่าถ้าเราไปในทางที่มันไม่ดี แล้วมันก็พ่อแม่ก็สอนว่าอย่าไปอย่างนี้ก็คนจะเชื่อเขาเช่นอย่าไปเสพ ย, ยาเสพติด น, นะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าง น, นี้อย่างนี้ฟังมนก็เป็นสิ่งที่ที่ดีที่คนรที่จะปฏิบัติตามใช่ไหมไอ้เขาบว่ายุ่ต้องต้รวยต้องหาเงินหาทางเยอะๆอะไรอย่างนี้จะได้มีหน้ามีตามีมเกียรติอย่างนี้ถ้าเราบอกเราชอบอยู่แบบสบายๆกินเงินเดืนอนเดือนละหมื่นสองหมื่นก็อยู่ได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องสิตของเราใช่ไหม คาา่ะอาจารย์อ่าดงนัน ก, ก็ต้องดูว่ามั น, มนโดยหลักก็คือถ้ามันไม่ขายกับหลังทำก็ไม่มีเราจะทําตามเราไม่ทําตามก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์อ่าแล้วก็เรื่องการปฏิบัติค่ะตอนเข้าพรรษายังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรเพิ่มค่ะพระอาจารย์กลัวว่าจะทําได้ไม่ไม่ ไม่ทําตามที่พูดแต่ว่าช่วงนี้ค่ะหลังจากที่ฝึกนั่งสมาธิระยะเวลานา น, านๆใช่ไหมคะพระอาจารย์หนูเจอว่ามันมันดีมากๆคือพอคิดอะไรปุ๊บมันสติมั น, มนมรู้เลยค่ะคือเหมือนกับว่ารู้ว่ากําลังเมารถอยู่อ๋อรู้เลยว่าอ๋อเรากําลังไม่ชอบตอนที่มันกระตุกกระตุกะค่ะพอรู้ปุ๊บมันหายไปวับเลยค่ะพระอาจารย์เลย แต่หลังจากนั้นค่ะมันมีแรงต้านเยอะมากเลยค่ะทั้งป่วยทั้งงานที่เข้ามาโหมนู่นนี่ค่ะหนูเลยแก้ปัญหาโดยที่ว่าคือยังไงก็ตามในหนึ่งวันไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะไม่ต้องคิดว่ามีเวลาไหมคือตื่นมาแล้วก็นั่งเลยไม่ต้องคิดว่าพร้อมหรือยังะคะ่ะพระอาจาร mm hmm. ใช้วิธีนี้แล้วก็นั่งจนกว่าจะรู้สึกมีความสุขอ่ะค่ะถึงจะไม่ลงไปไปที่ว่างจริงๆแต่ว่าเลิก จุดที่เริ่มรู้ลมหายใจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันโลง่งมันเริ่มว่างมันเริ่มโล่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มันยังได้ไปถึงจุดนั้นอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะมันยังลงไปที่ว่างไม่ได้แต่ว่าก็ทำให้พยายามแบบพอมันออกมาค่ะหมายถึงว่าเริ่มฟุง้งก็พยายามพุทโธแทรแกอยู่ไปเรื่อยๆค่ะพยายามเข้าสู่ความสงบไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แต่มันก็ยังไปอยู่ที่จุดที่ รู้ลมหายใจแต่ว่าแค่โล่งขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ก็ดีดีดีขึ้นนะคะหมายความว่าช่วงนี้ค่ะมีความโลภเกิดขึ้นมากมายค่ะแต่ว่าพอหลังจากออกจากสมาธิปุ๊บมันก็จะสอนใจขึ้นมาได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะว่าอย่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พอช่วงระหว่างวันแบบแบตบมันจะเริ่มเสื่อมอะค่ะแต่พอกลับมานั่งสมาธิต่อก็มันก็จะรู้สึกเหมือนเดิมค่ะพอเริ่มเข้าสู่ความสงบมันก็รู้สึกว่า ก็ไปเห็นเป็นไรเลยไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ไม่เป็นไรทําตามทําตามที่มีไปก่อนเนี่ยค่ะช่วงนี้มันก็ประคองไปประมาณนี้ก่อนค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะพยายามหาเวลาหนูตันต่อไปมันต้องบอกว่าเอาไปทําไมทุกเป็นมันเป็นทุกยังไม่เห็นทุกอยู่เลยยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่ดลค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกจะได้ไม่เอาเลยตอนนี้ยังอยากได้อยู่แสดงว่ายังไม่เห็นทุกใช่ไหม คือตอนนี้มีงานนะคะพระอาจารย์แล้วมันตามสเตปเนี่ยมันควรจะต้องตามขั้นมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันหมายถึงว่างานแต่อยากให้มันได้เร็วๆเสร็จเร็วๆแล้วมันก็จะมานั่งเครียดอะค่ะพระอาจารย์ว่าอยากคิดถ้าทำแบบนี้มันจะเร็วขึ้นไหมแต่ว่าพอเข้าสมาธิปุ๊บแล้วพอพอมันออกมามันก็จะคิดเลยว่าไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเอาเอาเท่าที่ได้ตอนนี้มันก็ ทำทำตามเหตุปัจจัยประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องถ้ายังก็ถูกต้องถ้ายังต้องทําอะไรอยู่ก็ทําไปแต่ว่าทุกครั้งที่เวลามาเข้าสูมมาค่ะหนูก็หนูคิดเสมอว่าอยากจะทํางานให้มันดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางขับแต่พอทุกครั้งที่นั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิฟังธรรมพระอาจารย์ตอนเข้าซูมคิดตลอดเลยค่ะว่านี่เราทำมานั่งทําอะไรเนี่ยแบบยังไงก็เดี๋ยวก็ได้ตังมาก็มันก็หายไป แบบนีจริงอยากทํางานให้พ่อกับแม่ภูมิใจค่ะแต่เอ๊ะถ้าวันนึงถ้าเราตายไปก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้ภูมิใจกับเราอยู่ดีแล้ว เ, เราจะเอาอะไรกลับไปตอนนี้มันเริ่มตีกันอยู่เหมือนกันค่ะแม่แซมอย่าไปเอาใจคนอื่นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าใจเขาต้องการอะไรเท่าไหร่ค่ะเ อ, เอาใจเราดีกว่าเอาใจเราให้สง บ, บดีกว่าหน่มคนหนึ่งเขาจะใยังไงเรา่อถ้าเราใจเราสงบก็ไม่เดือดร้อน คแต่แต่เราก็ไม่ละในหน้าท stone erm um um ี่ของลูกนะถ้ามีหน si um ้าท um pues ok ี่ต um> ้องดูแลพ่อแม่กันดูแลไปทําไปแต่ไม่ต้องไปเอาใจของเราค่ะเขอยากใช้เรารวยเราไม่ต้องไปกระวนกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็เราทําไม่ได้เราก็เสียใจทุกใจใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ทุกใจไปกับเราลูกเราไม่ด้วยนั่นมพรเป็นกิเลสทั้งนั้น ค่ะไม่เป็นคนดีดีกว่าคนดีคนซื่อสัต์สุจริตคนมีศีลมีธรรมดีกว่าโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอเคสาธุท่านนี้คุณปยามานท่านนี้อยู่สวีเดนหรือเปล่าคุณปยามาอน อาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะอานามัตเออนวัตชการค่ะพระอาจารย์พอดีว่ามาปีกวิเวกที่วัดธรรมปาระเนี่ยค่ะวันนี้วันที่หกเจอกันบ้างเจอกันค่ะเจอวันอาทิตย์พี่แกมาทําบุญแล้วก็เจอคุณเคนพักอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะอก็แต่เขากลับวันศุกร์หนูกลับวันนี้แล้วค่ะก็เข้ามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ก่อน แล้วคุณทวิสาอยู่ตอนนี้อยู่แล้วป่าแล้วกลับไปแะ้ อ, อ๋อไม่ค่ะพี่พี่เขามาแค่ทําบุญวั น, นอานนทิตย์ ค, ค่ะคือใช่ค่ะคือวัดธรรมประละเนี่ยจะรับได้มากสุดคือหกคนค่ะสําหรับผู้หญิงถ้าถ้าถ้ า, ถาวันธรรมดาอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เขียรติมาศิริท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยศรัทธาน้าหน้าแต่พอมาถึงให้นอนด้วยกันก็คุยกันเสียงดังจนไปรบวนพระข้างบนท่านก็เลยคือ หลักชใจให้มาแค่ห้องพักห้องห้องละหนึ่งค น, งนถ้าเต็มก็คื อ, อ, อใช่ค่ะให้แยกอยู่ไม่กูเกกันไม่ไม่ใช่ใช่ใค่ะพระอาจารย์แต่มันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พะอาจารย์เพราะว่าคนไทยที่นี่มีไม่เยอะพอเจอกันก็อยากคุยอย่างบางทีเขาเห็นหนูมาปฏิบัติค่ะเขาบอกโอ้อนุโมทนาด้วยแล้วก็คุยยาวเราก็ชอบคุยอยู่แล้วด้วย อืมก็เลยแบบก็เลยต้องพยายามแบบอ้าวแต่ขอญาตไปล้างจานก่อนเขาญาติไปนู่นไปนี่ก่อนอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถามคุณเคนอยู่ว่าทําไมไม่เข้าซูมพระอาจารย์จะได้ดีใจว่ามาปิดวิเวกแต่ท่านแต่เขาบอกว่าถ้าเขามามาช่วยงานวัดเขาจะไม่เข้าซูมเขาจะออฟไลน์ไว้เลยดีรู้กันอยู่นะเขาบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเขาจะมาอ่าค่ะแต่แกน่ารักนะคะพระอาจารย์แกเป็นคนนิ่ง ต้องคอยแบบเสือยิ้มยากหน่อยต้องคอยเ yeah, ย yeah. อะเอะอ่พระอาจารย์เมื่อเช้านี่ก็มีคนผู้หญิงสีลังกาค่ะมาทําบุญเขาอยู่เจนีวาด้วย ใ, ใแล้วเขาก็อ่าแล้วเขาติดตามพระอาจารย์มาได้สามปีเขาเคยไปวัดที่วัดที่พระอาจารย์อยู่ด้วยค่ะเมือ่อสองสามเดือนก่อนเขาวมาอะไรนะคะเมือ่อสองสามเดือนเข้ามาเมืองไทยเขาวมาที่วัดอ่าอ่าเนี่ยวันนี้เขามาทําทําบุญถวายเพล ก็เลยอ๋อโอ้ลูกศิษย์พระอาจารสุชาติเยอะเ้ะเนี่ยต้องข้ามพระห้ามนินทาพระอาจารย์สุชาติเลยไม่เวลานินทาได้ว่าได้ไม่เดืเอดร้ออาจารย์เจเดี๋ยวปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าก็เพราะอย่างนี้เลยนินทาตัวเราเองดีกว่าอย่นินทาคนอื่นเลยโอพระอาจารย์ก็เมื่อวานนี้ก็มีบททดสอบพระอาจารย์ท่านให้ทํางานค่ะ <c oughs> ให้ตัดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันต้องใช้ความความละเอียดนิดนึง <c oughs> พระอาจารย์จะบอกว่าถ้าเอาความอยากของหนูออกมาวัดปริมาณนะท่วมวัดได้เลยพระอาจารย์แล้วมันแต่ว่าหนูไม่ได้อะไรนะคะเพียงแต่ว่าคอยสังเกตว่าอยากอะไรบ้างอยากทําให้มันเสร็จเร็วๆอยากทําให้มันมาดีอยากทําดีแล้วอยากให้พระอาจารย์ชมแล้วพระอาจารย์เชื่อไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนหนังย้อนเอะไรนะที่มันหน ม, ม, มุนเป็นวงกลมอ่ะมันวนอยู่อย่างนั้นแหละ ต้องคอยตามคอยดูว่าอ๋อนี่ความอยากนะเนี่ย<ด>แต่แ ว, ว่าพอเห็นแล้วก็เฉยๆยไม่ได้อะไรหยุดมนันให้ได้แต่มันโดาต้องเข้าใจว่าอ๋อความอยากของเรานี่มันค่อนข้างรุนแรงถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไหลไปกับมันแล้วบางทีมันเผลอทำอะไรได้แบบที่ที่น่ากลัวพ อ, อสมควรนะคะอาจารย์ นี่ประโยชน์ขอการาปฏิบัติทางทาให้เรารู้ฐานกิเลสของเรานะแล้วก็หนูจะถามพอาจารย์เรื่องการปฏิบัติคือว่าหนูจะมีนิสัยที่ว่ามันจะคล้ายๆเหมือนติดอะพอาจารย์คือว่าจะรู้สเต็ตของเราว่าจะได้ประมาณนี้ปวดตรงนี้แล้วสักพักก็ไม่อยากนั่งอยากขยับอะไรอย่างเงี้ยพระจาระคล้ายๆแยกกันนะอาจารย์แต่ทําไมใจเราอ่ะถึงไม่ยอมแบบ ไม่ยอมอดทนไม่ยอมสู้ที่จะอยู่ให้มันนั่งไปเพราะมันก็ไม่ได้ทําอะไรทําร้ายจิตใจเรานะมันไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรนะอาจารย์ว่าด้า น, นสติแล้วอ่อนกำลังเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่มีพุโทโธเนี๋ยวมันก็ไปคิดถึงอยากจะอยู่มันอยากจะสบายเนะี่ยถึงแม้ว่าเราจ ะ, จะอยู่กับความเจ็บได้แต่มันก็ถ้าถ้าไปทําอย่างอื่นได้ก็จะไปเนี่ยมันก็อยากจะไปอยู่ ไ, ไอ้ความเป็นอย่างนั้นพอมันอยากจะไปก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความอยากไปจะนําไปปฏิบัติค่ะอืพออยู่กับความเจ็บไม่ได้มันอยากพออยากจะรู้ปั๊บก็บพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อสักพักเนึ่งจิตก็ก็จะหยุดความอยากได้แล้วก็ยืนั่งต่อไปได้ไดอเพราะว่า<ห>มัน ก็มันมีแค่ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็มีความเบื่อเบื่อเข้ามาเบื่อที่มันเป็นเหมือนเดิมอะไรเดิมๆเจ็บขาเหมือนเดิมๆจนเมื่อเมื่อสองวันก่อ น, นะคะ่ะเลยบอกว่าถ้าเบื่อน่าจะให้นั่งเพิ่อีกสามชั่วโมงมันหายไปเลยพระอาจารย์ฉันกังวลหนูเอดโลยเข้าใจอ๋อที่คงจะเป็นกิเลสมันมาหลอกเราหลอกให้เออไปสิเ อ, อเบื่อก็ออลุกสิไม่ต้องไปนั่งหลอก ตอนเราเผลอสติแล้วก็ปล่อยกิเลสมันมาหลอกอล่อเราได้อย่างถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดมันไปก่อนแต่ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ดีนะเน้องต่ออีกสามชั่วโมงเลยมันก็จะได้ไจบวปครบกำหมดก็พอแล้วพระ <c oughs> อาจารย์สามชั่วโมงนี่โหโถจนตัวบิดเลยนะคะพระอาจารย์อ่าพระพุทธเจ้าบอกจะนั่งรถยนต์ก่อนจะตัดชั่วโมง อาจารย์ขออนุญาตนะคะหนูชื่อปิยมาเธอหนูไม่รู้เธอไม่ใช่พระพุทธเจ้าคุไปไม่รีบอ้าอย่าพึ่งงั้ดีกว่าเรงเป็นพอที่สั่นอยู่ไงก็ค่อยๆตามสเตปไปค่ะพระอาจารย์ไม่รีบไม่รีบไม่รีบแล้นะโอเคมัน้อยนะยเรื่องปฏิบัติธรรมนี่มักน้อยนะจริงๆค่ะอาจารย์เรืงกินเรื่องอยู่มักมากเรื่องกินเรื่องอยู่นี่มากมากโอ้จะบอกว่านั่งสมาธิ พุงซาดพอลึกถึงนึกถึงเรื่องกินนี่โอ้เป็นสเต็ปเลยพระอาจารย์วิสมาธิว่าต้องปอกยังไงต้องหันยังไงใส่อันไหนก่อนก็เลยเอางี้แล้วกันพอาจารย์ถ้าเกิดพูดเดี๋ยวมันจะพากันพาเฟอเจอร์ไปขออนุญาตลาตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวคนท่านอื่นจะได้ถามคำถามต่อคพรอาจารย์พยายามฝึกพกานมัชฌิตรพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆนะใช่ค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ได้ S <S ชอบเผอไปยุ่งกับคความคิดอ่าพยายามใช้มีพุทโธอยู่เรื่อยๆค่<ท>ะโอเคถูพระอาจารย์ค่ะกราบนามัสการแล้วก็ขอลาเลยค่ะจะได้เสียงไม่ไปดังใส่ชื่อจ้าสาทุ่ จ, จสาธุค่ะพระอาจารย์อ่าไปที่คุณนเอกเชียงรายเชิญกาบนมัสการพระอาจารย์พะบรนอ่าพันษาที่มีอะไรพิเศษไหม ก็ถือในสัญชิกเหมือนเดิมพระอาจารย์ก็เริ่มเริ่มมาแล้วันครับจังหัะเริ่มมาแล้วครับอาจารย์อืมก็ก็นั่งได้อยู่ครับอาจารย์ครับที่นั่งไปสองชั่วโมงกว่าเออหลับไปก็เปลี่ยนอริยบทครับอาจารย์อืมเป็นนักขัสมาก็เปลี่ยนมามานั่งมานั่งนะครับอาจารย์เอาแตงสว่างเลยนะก็ประมาณตีห้าครับอาจารย์อ แต่แล้วก็นอนเลยมันไม่ได้นอนนะครับแต่มันก็เพียอยู่เหมือนกันนะครับอถามแล้วก็ตลูกไปทํางานต่อเลยไปทําธุระต่อเลยก็ก็ลูกมาทํางานทํำไรตกครับอาจารย์อก็วันนี้ตอนแรกก็คิดอยู่นะครับว่าบางทีนั่งไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงหลับไปแล้วเราจะได้อะไรไหมเนี่ยก็ก็ไมเป็นไรก็ทําไปก็ มาวันจันทร์นะตอนเช้าว่าพระอาจารย์ตอนนั่งไปลมก็หายครับพระอาจารย์เพราะปกตินั่งดูลมไปลมมันหายมันอยู่ได้ไม่นานแต่แต่เช้าวันจันทร์มันอยู่ได้นานมากพระอาจารย์พรผมตื่นตอนเช้าผมที่ตื่นตีสามคึ่งก็ล้างหน้าล้างตา ก, กว่าจะมานั่งก็ประมาณตีสามสี่สิบห้าตีสามสี่สบแล้วพระอาจารย์มันอยู่ได้นั่งกายเบาจิตเบาลมไม่มีก็แต่มันไม่ล่วงครับพระอาจารย์หมก็ได้ยินอยู่นะะ แต่ก็นั่งกายเบาจิตก็เบาไปก็อยู่ไปจนถึงเกือบจะหกโมงฮะอีกห้านาทีหกโมงครับอาจารย์ก็มีไอ้ช่วงที่สติมันอ่อนช่วงประมาณชั่วโมงที่สองปลายๆฮะก็ก็มีปวดเข่าปวดอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ก็อยู่ได้ครับอยู่ได้แต่ว่ามันก็วนไปวนมาก็เห็นมึนเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มึนก็มาอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็กลับเดี๋ยวก็มา ก็ก็พ่อผูโทรไปดูลมไปครับอาจารย์ตอนที่เจ็บอนะฮะตอนหลังมันมันเจ็บมาเยอะก็มานั่งเที่ยนานถึงของพระรัตเจ้าพระรเจ้าทั้งยังนั่งได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นั่งได้ก็ผ่านตรงนี้ได้ก็ก็กัดอยู่กับมันอีกมั็เออมันก็เบาไปนะหลังจากออกสมาธิมาพระอาจารย์มันมันก็ไม่ปวดนะฮะเพถ้าเกิดมันไม่เข้า บางวันมันจะปวดเนื้อปวดตัวปวดอะไรแต่หลังจากมันออกมามันก็เบาแบบปกติครับอาจารย์ครับก็ก็แบบเอ้ยแปกมืนกันมันมันเข้าง่ายแบบว่าปกติมันอยู่ถ้าลมหายแล้วมันเบาอยู่อยู่ได้ไม่นานแล้วก็คือสภาพมันก็เอมีลมมาอย่างนี้ครับอาจารย์ที่ไปลายจกอย่างนี้ยครับแต่แต่วันวันจันนี้อยู่อยู่ได้นานมากตั้งได้นานมากอาจารย์ก็ยังแปลกใจตัวเอง ก็เออก็น่าจะผลจากที่ว่านั่งเทศนชิกวันวันวันก่อนอนพระนั่นเป่าเลย่รัผมก็ก็ถือว่าก็เออแปลกดีดีครับดีว่าว่าเหมือนกับว่าผมพรรษาที่แล้วสองสองรษาที่ผ่านมาก็ถือเทศน์ชิกเหมือนกันแต่ว่ามันมันได้ตึงใจเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับอาจารย์ก็ดีการปฏิบัติมันก็มีขึ้นลงมาก บางีก็ขึ้นบางทีก็ลงเราก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราทั้งครับผมเพราะว่าผมว่าเจริญสติแต่ในช่วงกลาวันนั้นเจริญสติแล้วก็พิจารณาใจรักอยู่อยู่เรื่อยๆครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยทุกข์ใจเท่าไหร่ครับก็เวลามีอภาษามากระทบก็ก็คิดเป็นใจรักไปครับอาจารย์แล ก, ก็ก็ได้อยู่่ครับ ก็ไม yeah. ่ค <tampoco S 2> ่อยทุก <possibly> ข <into them> ์ใจสักเท่าไหร่ขณะที่ผ่านมานี่ก็เบาเบาเียนบาใจเบากายนี่ครับอาจารย์ครับออืครับผมโอเคดีมากครับผมก็ก็ก็จะมีบางบางช่วงฮะอาจารย์มีนก็เราเล่านั่งไปบางทีแบบว่ามันลมมันหายมากพระอาจารย์นึกอยากให้อยากให้ตัวมันโตก็นึกไป ก็เหมือนตัวโตคับห้องเหมือนกันนะครับาจารยผมก็เออไปสภาพงูกลับมาเออไม่มเอาหรือว่าอย่างเง้ยครับาจารยนี้ก็มีอะให้ตัวเล็กดีไมหมนะครับนั่งไปมันก็รู้สึกว่ามันเล็กเล็กครับแต่เล็กไม่มากครับก็ก็ลองลองดูนะมันก็หลอกเราแล้วตัวเราก็เท่าเดิม เอน่าจะหลอกมากกว่านะทำอะไ้จริงออกมาตัวตัวเราก็ต้องเล็กลงตามที่มันมันจิตปูแต่งขึ้นมาหลอกเราแล้วก็ไปเชื่อมันเศมันเป็นมันเป็นไปได้ที่ไหนให้มันตัวใหญ่ขึ้นให้มันเล็กลงไมใช้ปัญญาดูยเศร้าแต่เต๋า เมื่อที่อยู่ในสมาธิอยู่แล้วก็เออไปไปไม่เยอะครับอาจารย์ไปนิดเรากลับมาก็ อ, อมันก็อืกายเบาติดเบาก็มันก็ว่างอยู่ครับก็ดูไปคะอาจารย์อืครับผมก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ก็เพียนพยายามเนี่ยทำไม<ป>ความเพียนมันถึงจะได้เห็นผลต่างกันบ้างถ้าปฏิบัติเท่าเดิมมันก็จะได้ผลเท่าเดิมครับต่อ น้อมนำความสัสอนพอาจารย์ไปปฏิบัติอยู่คับะอาจารย์ในความเพียรอยู่กับพระองขอให้อาจารย์ผ่านแข็งแรงครับจารย์บรบคนที่ติมายังถือสีแปอยู่เลยอารพระอาจารย์ยังถือสีอยู่ค่ะม่มยเ้นในภาษานี่อะไรนะคะไม่มีคอยกเว้นไม่มีค่ะให้ยกเว้นให้ตอนเข้าษาอย่างเดียวค่ะที่ว่าจะอดทน ขอพ่อแม่แล้วโอเคดีพระอาจารย์จะพระอาจารย์คะหนูยังพอดีวันลาหนูเหลือสามวันนะคะหนูยังตัดสินใจไม่ได้ว่าหนูจะขึ้นไปถือศีลบนเขาหรือว่าจะลงข้างล่างดีเพราะว่าเขาพี่แล้วที่อ่าถือข้างล่างค่ะมันมันร้อนมากเลยค่ะมันมันมันอยู่ลําบากค่ะอาจารย์แต่ว่ารอบนี้น่าจะสบายขึ้นแต่ว่าหนูก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะขึ้นเข่าดีหรือว่าจะอยู่ข้างล่างดีอะค่ะ อาจารย์มี้ำแนะนํำไหมคะก็ลองโยนหัวโยนก้อยดูก็แล้วกันย <c oughs> ินดีตามมีตามเกิดถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ให้หัวก้อยมันตัดสินให้เราก็แล้วกันได้ค่ะอรย์ท่านปฏิบัติก็ต้องต้องได้ทุกทุกสภาพ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> จะจัดให้เราอยู่ที่ไหนตรงไหนก็อยู่ไปอย่าไปจู้จี้จุกจิกฝึกสันโดษ ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองจัดินใจอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคอาจารย์ถ้าแข็ ง, งแรงนะคะย่าคคุณงานอุดรนริ่ม <c oughs> การแต่งมนสักการณ์ น, นะอาจารย์ได้มีคำถามปจค่ะโอเคสบายดีนะ <c oughs> สบายดีเตค่ะโอเคนไปที่ภูเก็ตคุณโอโอภูเก็ต น้องก่าน้ำตาลทักอาจารย์เจ้าค่ะอืมีอะไรไหมทีนี้มีเจ้าค่ะอาจารย์เข้าพรรษานี้ตั้งใจว่าจะเลิกดีแล้วเจ้าค่ะจะกลับมาใช้พุทโธเจ้าค่ะอาจารย์เราเอาจริงอาจารย์กับพุทโธให้ได้ต่อช่วงเข้าพรรษานี้เจ้าค่ะแล้วก็อาจจะมีสลับกับการดูลมหายใจว่างหรือไม่ก็อนิจจังข้ามในตายเจ้าค่ะอาจารย์การเพ่งกสินลูกก็พักไปเลยเจ้าค่ะ ว่า<ม>ตั้งใจว่าจะลองลองจริงจังกับผู้โทรดูเจ้าค่าะอาจารย์อ<ม>จะจะลองดูจะสักตั้งหนึ่งจ้าค่ะให้ให้หนักแน่นกับผู้โทรอยไรเงี้เจ้าค่ะแล้วก็อาจารย์ลูกจองตั๋วแล้วเจ้าค่ะซื้อตั๋วแล้วแล้วก็จองเรียนพักบนเขาไว้ที่ปลายแล้วเจ้าค่ะอ<ม>ืก็ไปเรียนหน้าเจ้าค่ะดีก็เขา้ขามานะคะ ขึ้ น, นขึ้นแสดงขึ้นแสดงขึ้นไปชั่วกี่เด ย, ย์แน่นอนนะคะมันต้องอยู่ห่างจากรูปเสียงติ่นรถแต่เจ้าขาไฟจ า, าย์าไม่งั้นมันจะคลุกคลีอยู่ยกับคือรูปคนชอบกินอยู่แล้วเจ้าไว้เจ้าข า, า, าถึงจะมื้อเดียวแต่มันกินหนักแล้วกินเยอะอย่างงี้เจ้าขาไฟจานแล้วแฟนเขาก็จะรู้ว่าลูปชอบกินอันวันนี้แล้วเขาก็จะซื้อแต่ของที่ชอบมาให้อะไย่างงี้เจ้าคข า, ามันมันขนาดว่าจะขึ้นบนเขาก็ยังไม่ทันไปเลยสั่งนู้นสั่งนี้ว่า ต้องอาโน่นอันนี้ขึ้นไปกินเลยแล้วก็จะบอกว่าจะหนีขึ้นไปย้อนแล้ว่าจะหนีจากลูกเต็งขินรถอะไยเงี้ยเจ้าภาจานทร์เขาคือแบบต้องอาโน่นอันนี้เป็นได้อะไรย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่าไปอดอาหารอดสั่งสั่งมาเติมละสั่งมาตึมเลยเจ้าเขาเป็นห่วงอะไรย่เงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็ดีเจ้าค่ะภาจารย์เพราะว่าตามที่ตั้งใจไว้เจ้าค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะแปงรักษาตรงนี้ได้ขึ้นไปประมาณสิบคืนเจ้าค่ะอาจารย์รอบนี้ขึ้นไปคนเดียวได้เจ้าค่ะภาจารย์ เดินทางคนเดียวอนั่งเครื่องไปจ้าค่ะอืลองลองดูเจ้าค่ะไม่ลองอมไม่รู้นะคะไปทดลองดูแล้ว <c oughs> มี <c oughs> อะไร <c oughs> ก็มาเล่าให้ฟังหมารอบที่แล้วอ่ะมันกลัวเจ้าค่ะอาจารย์นะีรอบ <c oughs> รอบนี้ต้องต้องรอดูเจ้าค่ะมัก็มีมันก็มีมา ก, กวนวกันไนดะ้เจ้าค่ะยังไม่ทันขึ้นไปก็คิดอยู่ที่บ้านเหมือนกันแรอบนี้ขึ้นไปจะเป็นยังไงเนี <c> ่ย <oughs> ยอมตายยอมตายไมย่กล้าให้กลัวเจ้ค่ะลองรู้เจ้าค่ะถึงรอบนี้อถืถ้าถ้ากลัวก็คือเอายอมตายอย่างเดียวใช่ไหมจเจ้าค่ะอ า, าจารย์ยอมตายอา่าจะเกิดก็เกิดถ้าถึงเวลาจะต้องไปอยู่ที่ไหนก็นดีมันไม่ค้อนอยู่ดีเจะค่ะทำบริกรรมก็พุทโธไปเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์พุทโธไปยอมตายแล้วก็อยู่พุทโธไปฝางเป็นฝากตายไว้กับพุทโธไปจ้ค่ะ เดี๋ยวเรียนหน้าขึ้นไปจ้าค่ะอาจจะูกไม่แน่ใจว่าจะทันแวะไปกลับให้พายจันไปก่อนนะเจ้าค่ะเพราะว่าวันีว่าให้ให้นะไม่ต้องกังวลละการตรงนี้ก็พอแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะกลับตัวนี้ก็ถึงพายจารย์จ้าค่ะก็เลือกพิธีกรรมมาเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่หมายว่าเอาปฏิบัติดีกว่าไม่ต้องไหว้ครูหรอกขึ้นพิธีก็โชคเลยเดี๋ยวซ้อไปก่อนเจ้าค่ะพายจันกิเลสไม่เคยกิเลสไม่เคยไหว้ครู จะค่ะแต่ลูกมั่นใจว่ากลับกลับที่นี่ก็ถึงท่านพระอาจารย์ที่นู่นในเจ้าตายปฏิบัติที่นี่ก็ถึงที่นู่นเจ้าค่ะมั่นใจเจ้ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะค่ะไหบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาดีที่สุดนะจ้ะค่ะกลับขอบพระคุณเป็ยากสูงจ้ะค่ะกลท่านอาจารย์รักษารักษานี้นะจ้ะค่ะสาธุจ้ะค่ะไปที่คุณป้ยลักสันเบิร์กคุณปุ้ย จำวัดจรค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่ไม่มีอะไรค่ะมากราพระอาจารย์เฉยๆมารายงานตัวค่ะยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เพิ่มเติมคื อ, อ, อนั่งภาวนาเยอะขึ้นแล้วก็ภาษาเนี้ยโยมตั้งจีตอธิษฐานแค่ว่าจะสื่อสินแล้วก็จะตรวจธรรมจักทุกวันจะสวจเมตตาใหญ่ให้ได้ทุกวัน โยมก็ตรวจทันมาแล้วสองสาวันโยมนับเลยดิไมพยามทำให้ได้ใช่ค่ะโยมก็พยายามเพราะวบบบทมันยาวมากแล้วแบบโยมก็ต้องพยายามทำไปค่ะโยมก็นั่งก็รู้สึกมันก็นิ่งๆมันก็สวยๆมันมันมันไม่มีอะไรพิเศษอะ่ะอาจารย์ มันไม่มีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่ามันบางทีเรารู้สึกเหมือนกับเหมือนมีผีเปลาก็ไม่รู้นะโยมก็ไม่รู้หรือโยมจิตโยมวิตกงง ไ, ไม่รู้ไม่รู้ก็อย่าไปว่ามันอย่าเหมนก็อย่าไปว่ามันถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็เฉยเฉยไปอ๋อคะ่ะรู้ว่าไปตายรักไปก็พอแล้ว่าไป็ด น, นนิจังทุกข์กงหน้าตาไปไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มา มะกาพระอาจารย์มามาถวายพรกับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์าทาตขันแข็งแรงค่ะโ okay. อเคขอใหยคุณปุย้ยมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนําให้โดยไปตลอดชีวิตนะสาธุเจ้ค่ะสาธุสาธุอไปที่คุณยนินดีต่อที่แคนซัสยินดีสวัสดีค่ะท่าอ า, าจารย์ อันนี้มีพายุข้าเลมอ๋อไม่มีค่ะต้องฟั ง, ง น, นี้ยังไม่มาอืมอาจารย์ปกติดีค่ะอืแล้วก็ไม่มีคําถามค่ะถ้าอาจารย์เดวิดฝากกราบท่าอาจารย์เหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์มอนตองเต้เหมือนเดิมขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างมากเข้ามาร่วมฟังธรรมเอาปัญญายค่ะท่านอาจารย์ okay. อ่าคุที่คนมาเลยซียโน้ตกายสาวหลวงพ่อค่ะอ่าพูดได้เลยก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อสติสมาธิดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อแล้วก็การพิจารณาก็พอใจในการพิจารณากาย<ม>ก็เห็นภาพอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วก็<ม>ดูกิเล เการร า, าคะไม่มีแต่ว่ากรารฉันทะโลสะเบาเบ า, เบาลงแต่ยังไม่หมดค่ะพ่แต่ว่าเบาลงกวเดิมเยอะมากเลยค่ะมีความพึงพอใจที่มันมันเห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อระดับของสติสมาธิอะมันมันแน่นมากๆเลยอ่ะค่ะหลวงพ่ออธิบายไม่ได้เลยอะค่ะหลวงพ่อสงบ สงบดีมากค่ะหลวงพ่อใช้ปัญญามันจะสงบแนบแน่นกว่าใช้สมาธิใช่ค่ะมันผมมันมันแน่นยิ่งยิ่งพิจารณายิ่งยิ่งเพิ่มเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรคหลวงพ่อมันมันเพิ่มอ่ะมันมันเพิ่มระดับขึ้นมากๆจนแบบมันยิ้มอยู่ข้างในได้อะค่ะหลวงพ่อ ก็ไม่มีอะไรค่ะวันหยุดก็ไปทัวร์ทัวร์วัดไปถวายทานไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปคนเดียวรู้สึกมันเต็มที่ดีค่ะแล้วก็ออันนี้ใช้เครื่องอะไรอยู่ใช้ i อแ d หรือใช้ของไม่ค่ะ a อ d ด o อ d ธรรมดาเนี่ยค่ะใช้โทรศัพท์นะใช่ค่ะแล้วก็เสียงชัดดีค่ะโอเค อันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอนนขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะอันนี้คุณมาลิกาเอ่อมาลิกากาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะพอาจารย์ก็สิ่ ง, งที่ที่เจอนะคะก็คือพอเข้ารรษามัน มันนิวรนเข้ามาของอาจารย์พอตอนเย็นๆล้วก็จะหิวข้าเพราะแดดปกติแล้วที่ผ่านมาเราจะไม่เคยเป็นพอพอเริ่มข้าวพรรษาปั๊บมันก็จะเป็นสาเหตุนี้เพราะเรามีกิเลสหรือว่าเราเรามีความอยากแล้วก็จะก็กิเลสก็คือความอยากก็ปไยมันหิวไปมันอยากจะหิวเข้าไปมันหิวไปเราจะให้มันกิดได้อย่างเดียวมันก็มันก็หดไปเอง อาจารย์แต่รู้สึกว่ามันรู้สึกมันมันทรมานทรมานมากทาั้งๆที่ว่าตลอดเวลานั้นเราไม่ภาวนาเลยเราไม่ภาวนามันก็ทรมานเลยเต้องต้องภาวนาแล้วต้องพุทโธพุทโธต้อนั่งสมาธิมีพิจารณาปฏิกูลของอาหารอย่างได้อย่างหนึง่ง<ไ>ป่อยให้มันบุกอย่างเดียวปอให้มันต่อยเราอย่างเดียวเราไม่ต่อยกลับนหมันเดี๋ยวก็โดนน็อกอือเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ก็พอดีก็พิจารณาอาหารใหม่อาหารเก่าก็ได้นะทิ่เด็กก็เท่าอย่าอาหารใหม่อาหารเก่าอืมกันค่ะพระอาจารย์จะจะเอาคำสอนของพระอาจารย์นั้นนํามาปฏิบัติด้วรับพระอาจารย์ว่ามันเป็นจะได้ผลยังไงเด็กก็ทำมารายงานนะครับพระอาจารย์อก็ไม่มีคําถามนะนะครับพระอาจารย์โอเคสาธุ ไปที่คุณเน่งต่อคุณเน่งเช่นค่ะนมมสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างก็ช่วงเข้าพรรษาก็ตั้งใจศึกษาเป็นจางค่ะพระสูตรที่พระอาจารย์เมตตาแนะนําแผนที่สูม่มรรคผลมิพานเจ้าค่ะตอนเช้าก็มีสวดมงคลสูตรกับธรรมจักรกับประวัตนะสูตรแล้วก็มีศึกษาบทที่เกี่ยวกับอ่าพิจารณาสังขารแล้วก็ พวกพิจนาขันห้าค่ะแล้วก็มีสวดปฏิจจสมุทบาทด้วยอะค่ะกาจะสวดเป็นภาษาบาลีด้วยภาษาไทยก็สวดเป็นบาลีแล้วก็แปลอ่านทำความผู้ใจเจ้า <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ส่วนบท อ, อนันตลักณะสูตรอธิตะปริยายาสูตรยงก็เพิ่งศึกษาก็ค่อนข้างแต่ว่า ก็ทําความเข้าใจค่ะก็ต่อเนื่องกันมาทีนี้ว่ามหาสติปัฏฐานนี่ยังยังไม่ขึ้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ก็จะพยายามครัแบ่งสติปัฏฐานก็อาจจะแบ่งเป็นตอนตอนก็ได้ตอนกายแล้วก็ตอนเวทนาแล้วก็ตอนจิตเจ้าค่ะค่ะช่วงระหว่างเข้าบรรษาก็จะพยายามศึกษาตรงเนี้ยค่ะให้ให้เข้าใจค่ะอาจารย์ดีค่ะเราศึกษาก่อนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปค่ะ แล้วก็มีพอพอสวดแต่ก่อนที่ที่ยอมเคยถามพระอาจารย์เรื่องปฏิจจสมบัติแล้วว่ายอมงงมากเลยทีนี้ว่าพอฟังธรรมพระอาจารย์ไปเรื่อยๆอะค่ะก็อย่างพระอาจารย์จะเน้นเรื่องว่าเออเหตุของความทุกข์คือความอยากแล้วก็เราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยกาจัดความอยากสามอย่างก็คือกามติหานภาวะตันหาวิภาวะตันหท์ทีนี้ว่า ยมก็พอแต่ก่อนไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่มันอาศัยกันยมก็เอออวิชาสังขารวิญญาณอะไรยมก็ท่องท่องไปแต่ทีนี้พอว่าพอมาทําความเข้าใจอ่ะมันมีตัวหนึ่งก็คือว่าอ่าพอมันมีอวิชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันเกิดนํารูปแล้วมาทําให้เกิดสยาและตัญสลายตนะแล้วมีพรรษะแล้วก็มีเวทนาแต่ว่าพอมันมาเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาก็คือ กาม า, าตัญหาเพราะว่าตัญหาวิปตัญหาก็คือตัวเดียวกันก็คือความอยากใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องนะสามาตัวเนี้ยเราต้องการจะตัดค่ ะ, คะก็คือพต อ, อตัดวงไอ้ตัวเนี้ยคือวงจรมันก็ดับมันก็ดับไปพบชาติก็ไม่มีตามมาพบก็ไม่มีการแก้จจจเจ็บตายก็จะไม่มีตามมาอุปทานก็จะไม่มี้าตัดตัญหาตามอยากไ่าย อ๋อเจ้าค่ะก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมคะคือว่าปฏิจจสมุปบาทคือไอ้ตัวตันหาเนี่ยก็คือความอยากแล้วก็ตัดตรงนี้วงกรมันก็ดับไปมันก็ดับไปมันตัดสายไฟตรงจุดนั้นไปมันก็จะดับไฟมันมันเดินต่อไปไม่ได้ไฟฟ้ามันเดินไม่ได้ถ้าเราตัดสายไปก็เหมือนต้นกําเนิดไฟเราตัดความอยากเลยแล้วก็ต้องมาคุมตรงนี้ใช่เจ้าค่ะ ก็โดยที่ว่าพระอาจารย์ก็ให้ฝึกกําลังคือมีสติและให้เกิดสมาธิพอสมาธิพอเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันถึงจะตัดได้อย่างถาวรถูกต้องเจ้าขาโยมเข้าใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าฟังพระอาจารย์เลยทําให้โยมแบบเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะตอนแรกโยมงงมากปฏิจจสมุปบาทนี่โยมงงมาแบบหลายปีเลยเจ้าขากล่าวเพรว่าคุณเจ้าคขาโยมไม่มีคำว่าตักทุค่ะตักทุ เนื่อไปที่คุณหมอหน้าทวัสตอบคุณหมอเชิญครับนักการอาจารย์ครับอ่าเป็นเวลนไม่ว่างเลยอ๋อว่างครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องไปทําสไลด์ต่อครับวันนี้เทคเจอร์ต่อพรุ่ง น, งนี้อันนี้ก็มีหมอมาดูต่างต่างประเทศครับแต่ว่าก็าแวะมาฟังทำครับจะได้สอนด้วยต้องรักษาด้วย ง, งานเยอะกันอ๋อครับ <laughs> <laughs> เป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์มันปรามาในเงี้ครับมันมีมทั้ง ผมก็มีให้ทั้งสอนสเซอร์วิสวิจัยครับต้งบริการ mm hmm. แล้วก็ทําวิจัยด้วยครับอนะวิจัยนี้ก็มีครั้งที่มี mm hmm. ให้มาช่องน่าก็จะตีพิมพ์ให้ผมเป็นรีวิวเบอร์ก็ครั้งเดี๋ยวต้อง mm hmm. ไปทําศอกเขอยู่ครับมา mm hmm. หลายงานดูมันก็วุ่นวายครับ <laughs> ประมาณอย่างนี้ครับก็จะไม่คยก็ ย, ยังดีวุ่นวายกับวิชาการก็ยังโอเคอยู่ครับอ่ะครับ ก็ยังมีแผนครับเดี๋ยวไว้ยลายปีเปิดได้ต้องต้องตัดไปเลยครไม่งั้นไม่ได้ทำไม่งั้นมันดึงใจออกนอกตลอดครับอืก็เดี mm ๋ยววันวันหยุดน่าจะได้ไปวัดครับมาฮะอเคครับไปมันศีกร์แต่ตอนได้ก็จะกลับวันจันทร์แต่ว่าเห็นอาจจะมีต้องเป็นไปสอนที่เวียดนามอาจจะต้องออกวันอาทิตย์เย็นครับก็ย <laughs> ังด <laughs> ีมาไต <laughs> ้วันสองวันก็ยังดีเขาไม่ได้มานะใช่ครับใช่ครับมาเลยครับโอเคสาธุไม่มีคำถามครับก็พยายาม เกิดไหม่ร <Okay, S 1> านเดี๋ยวรเวลาเราจะต้องพยายามไปไปฏิบัติให้มันได้เยอะขึ้นครับขึมครับเอ็นไปที่กูนิงต่อกูนิงกูนิงกูสอนอะไรถัาสอนโรงเรียนนะสอนวิวชาพิเศษโอเคพูดได้นัาเชิญได้ยินไหมครับพระอาจาราย์ครับ อาจารย์ค่ะครูนิงสอนอะไรสอนอะไรคะนีก็ครูนิงยังไป็ครูใช่ไหมอ่าใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะเรสอนอะไรที่ไหนนะอ๋อคือสอนตอนนี้ตอนนั้นออกไปสอนทั้งในระบบและนอกระบบอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็สอนด้านออสอนภาษาไทยฝรั่งแล้วก็สอนภาษาอกฤษฑนไทยอ่ะคะ่ะ อ, อแล้วก็ท <c oughs> ำงานบริษัทด้วยค่ะ อืมอ่ามีเด็มีนักเรียนเยอะไหมอตอนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่ามีงานข้างนอกด้วยค่ะทําเกี่ยวกับประสันงางด้วยค่ะพระอาจารย์สอนคนละสองสอนทีละชั่วโมงนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะก็รับสอนตอนนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เหนืหน่อยนะดูทํางานได้อย่างนี้กัน เหนื่อยมากพระอาจารย์ทั้งงานในงานนอกค่ะบพระอาจารต้องดูเละที่บ้านด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ก็เข้าใจอยู่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตามตามตามอำนาจที่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ดีค่ะพระอาจารย์ที่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็เลยรักษาใจของตัวเองได้หน่อยครัพระอาจารย์เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็เลยไม่มไม่ไอ้นี่เท่าไหร่บางครั้งที่เคยถามผ้าจา์ก็มีกับเพื่อนบ้างเพราะว่าเกิดจากอารมณ์ของตัวเองที่เราเหนื่อยบ้างนะะแล้เวเราก็ความรับผิดชอบเรามันเยอะค่ะผอาจาน<ม>แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปค่ะพอาจา์บางรับผิดชอบก็ไม่มีอะไรค่ะได้ฟังอยู่ข้างนอกหล า, หลาขอบจากหลายๆท่านที่าถามผ้าจา์ก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได ทำมาจากพระอาจารย์ที่ไปฟังอ่าแต่ละครั้งทีละนิดทีละน้อยก็เอามาปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าใจเบาขึ้นเยอะแล้วก็ดีขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์แต่ก็ต้องทําต่อไปหนูก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์นั่นได้ที่บิเลชยังไม่หมดก็ต้องทาต่อไปใช่ค่ะพระอาจารย์คงก่อนบ้านก่อนบ้านนกองก่อนให้มันมให้หมดค่ะพระอาจารย์ หนูก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆะพระอาจารย์ครับพระว่คิดมากไปหลืออะไรไปมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะทาไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็มีธรรมะเป็นที่ตั้งของใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ดีขึ้นเยอะค่ะพระอาจารที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งค่ะพระอาจารย์ก็ทุกคนเกิดมาก็อะก็เหมือนกันค่ะปัญหาก็มีด้วยกันทั้งนั้นเราก็ต้อง ทำ ต, ต่อไปค่ะพระอาจารย์ดีข่าวว่ามีอะไรคัะพระอาจารย์หนูก็ต้องปฏิบัติต่อไปครับโ <Okay. S 2> อเครับนความสมของพระอาจารย์ปฏิบัติค่ะค่อกับสาธุพระอาจารย์นะคะไปที่คุนทวิสาที่สวิตเซอร์แลนด์มันทวิสาได้ยินหมพระอาจารย์ได้ยินนะได้ยินโอเค สัญญาณไม่ดีค่ะวันนี้พระอาจารย์อพอฟังได้พูดเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็เข้ามารับฟังธรรมค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินจนเบีาดมากหรือเปล่าพึ่กลับพึ่งออกได้ยินค่ะเข้าได้ได้ฟังอยู่ค่ะน้องนุ้ยเข้ามาค่ะก็ได้คุยกันเมื่อวันอาทิตย์นะคะพระอาจารย์เดี๋ยวคุณ professor k e ด้วยเดี๋เดี๋ยอาจารย์ ken ด้วย เจอค่ะแล้วก็เจอ<ม>คุณคาเดียด้วยคาเดียเขไปด้วย ห, หลายคนค่ะคุณคาเดียวกับสามีค่ะ<ม>ก็ได้ได้ได้เจอกันค่ะพปกับพปกับมคนเดียวนการกับคนเดียจริงก็<ม>เลยมีการแบบว่ามีการแชทรูปรูบลูกศิษย์ว่าอาจารย์เข้าเฟรมด้วยกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมว่าอาจารย์ถิ่งกองไม่ได้ ค่ะก็คือไม่ได้ไปปฏิบัติอนะคะคือเอไม่ได้ไปปิดวิเวกเออก็คือรอเดือนหน้าค่ะค่ะอาจารย์ที่เขามีไม่กี่ห้องเขมีไม่กี่ห้องค่ะทั้งหมดก็คือเขาจะให้แขกก็คือคนที่จะมาปฏิบัติให้มากสุดแค่หกคนเท่านั้นค่ะแล้วเขาให้อยู่ข้างกี่วันอ่าแล้วแต่เราปกติก็ครับเป็นหนึ่งอาทิตย์แต่คุณเคน รู้สึกแกบอกว่าแกได้3ามอาทิตย์นะคะแต่น่าจะเป็นคนที่มาบ่อยๆ อ, อะไรเงี้ยค่ะก็คื อ, อเผื่อคนอื่นอย่างคิวจะห้องจาไม่ค่อยว่างเลยค่ะพระาอาจารย์โยมก็เลยได้ไปท้ายๆไปไปลายเดือนหน้าเลยค่ะก็คือโดนจองหมดตอนนี้ช่วงนี้ฝรั่งจะเข้ามาปฏิบัติเยอะค่ะพระาอาจารย์โยมก็เลยก็พยายามจะปฏิบัติพรรษานี้ก็จะขึ้น ขึ้นขึ้นชกสู้กับกิเลสจริงๆจังๆแล้วค่ะเพราะอาจารย์กรรมวชิรธายเยอะมากเพราะอาจารย์พูดไปก็สะดุ้งไปจะ ต, ต้องจะต้องเอาละต้องใช้เวลาของตัวเองให้ให้เต็มที่กับคือเริ่มอเอาเอาพรรษานี่แหละเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเขาเรียกอะไรคะเป็นตัวสตาร์ทเป็นจุดเริ่มตน้นค่ะป้าอาจารย์มันก็จะหลอกเราให้เลื่อนไปเรื่อยเรื่อเรื่อยไปเรื่อย ใช่ค่ะผ้าจารย์ก็คือแบบเลื่อนเลื่อนไปแล้วก็คื อ, อภาษานี้ก็ได้โอเคจะปิดสวิตหลายหลายอย่างต่างแต่ยังไม่พูดกลัวพูดออกไปทําไม่ได้จะพยายามให้มากที่สุดค่ะอาจารยนจะทําไม่ได้ ค, ค่ะค่ะกลัขบขอบคุณพระอาจานนะคะดีค่ะดูขอบคุณค่ะคุณสเลนทอนจะปิดสวิตอะไรบ้างรึเปล่า <c oughs> ยังเปิดลุกสวิตอยู่เต็มเต็มที่ พระอาจารย์แซวกันันจะไปพระอาายจ๊พยายามอยู่เหมือนกันกับพระอาจารย์ยมก็เดินจงกรมมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่เราคิดว่าเรานั่งนานจริงๆยมก็นั่งนานขึ้นเรื่อยๆนะคะสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้แต่ว่ามันมันหลับพระอาจารย์เลยไม่ได้ผลอะไรแต่พอแต่พอโยมมาเดินจงกรมโยมโยมก็คิดว่าสติมันมามากขึ้นนะคะ เพรช่วงหลังๆมาเดินจงกรมมากขึ้นมัน ก, มนก็มันก็ไม่หลับหรอกค่ะพระอาจารย์ก็นั่งนั่งได้ค่ะพระอาจารย์มันขึ้นอยู่กับว่าวันไหนวันไหนมีสติน้มากสติน้อยถ้าวันที่เหนื่อยมากๆสมมติว่าดึกแล้วเราเพิ่งมานั่งตอนดึกๆอย่างเนี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งแล้วหลับแต่แต่โยมก็จะนั่งกับพื้นนะคะก็จะพยายามไม่ไม่ไม่ให้นั่งสบายเกินไปแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะโยมก็ดั่งได้พอสมควรนะคะก็ปฏิบัติได้ประมาณสองชั่วโมงครึง่ง แล้วนั่งจนขานี่มันรู้สึกเหมือนมันจะหลุดมาเป็น ท, นท่อนๆท่อนๆอย่างนั้นเลมันเจ็บมากแต่พอเราออกมาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ตอนออกมานี่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยรู้สึกว่าอู๋นี่ถูกกิเลสหลอกขนาดนี้เลยหลอกหลอกจนเรารู้สึกอู๋นี่เราจะขาเราจะหักแล้วนะเนี่ย น, น, นี้เรานั่งต่อไปไม่ไหวอีกแล้วก็ต้องต้อ ง, องแสดงว่าสติโยมหมดแล้วค่ะต้องเอาใหม่อ่ะคะ่ะแต่ก็ยมจะตั้งใจปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ยมรู้สึกว่ายม ยกเริ่มกลับมาแล้วก็าอาจารย์ม <laughs> ไม่กล้าพูดมากเดี๋ยวอาทิตยน้านมันแย่ลงก็อาะแต่ก็ไม่ทิ้งนะคะพระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะทำเช้าเย็นค่ะพระอาจารย์เราจะเ จ, จริญเอาวันต่อวันทำไาเรื่อยๆ เ, <laughs> เอาค่ะเอาทีละวันค่ะแต่ว่า ม, มาสนทนาทากับพระอาจารย์ก็ทำให้รู้สึก รู้สึกฮึกเหิมค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าไม่ได้ต้องทําให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าทุกๆุท่านก็ตั้งใจกันเต็มที่เราต้องทําให้ได้ดีกว่านี้อะค่ะเอาแค่ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ค่ะพระอาจารย์เอดค่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เลยเข้ามากราบสวัสดีพระอาจารย์แล้วก็ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณครับเนี่ยไม่ใช่กาแฟแล้วหรือยังใช้อยู่ครับเอ อาจารย์แซลเราต้องรู้สึกร่างกายให้สมบูรณ์แล้วกันเนี่ยแสดงว่ากินมากเลยใช่สมบูรณ์อาทิตย์นี้ครับผมผมทำได้ลดไปห้ากิโลแ ล, แล้วแล้วก็ออกเฉอไว้กินี่หลายยินเว้ย ก, ย, ก ย, กยกินน้ำเฟซีแล้วก็เลยออกวันเอแล้วเป็นความจตกทุกคนนะครับปีเีตตอนนี้ชื้อมันยากนะใช่ ใ, ใช่อาจารย์เราใช้ปฏิกู ล, ลต้องพิจารณาปฏิกูลบ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกครับเอาเอาเอาอีกแล้วก็เรื่องอื่นก็มีเรื่องงานนิดหน่อยก็งานเยอะขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแล้วทําอะไรก็ก็โล่งว่างเย็นไปหมดแล้วก็เหมือนเหมือนงานยิ่งยากวก่ายิ่งได้เจออุปสรรคมากเราก็ท้าทายความสามารถมากขึ้น แล้วก็รู้จักการแก้ปัญหาโดยที่เราไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่ครับใช้ปัญญาไ ป, ขไปไเข้าไปนี่เขาเราวันนี้ได้ไปทาบุญพรดีที่เปิดสาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์พาไปกับคณะไปทาบุญเก้าวัดถวายเทศบรรษาครับแล้วรู้สึกว่าท่านท่านจะเมตตาอยู่ครับก็ ก็ก็เหมือนพระอาจารย์บอกว่าอืจะไม่หลงอะไรแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ทำไงต่อครับเรืงานเราก็มีทําก็พยายามแบ่งเวลาไปช่วยงานที่วัดบ้างแล้วก็ทํางานของเป็นบ้างครับอืมอันนี้ก็ทำบุญทำทานรักษาสินห้าไปก่อนมาละกันสีนห้าครับทํำทําได้ตลอดถึงรักษาสินแปดได้บ้างก็ดีครับสิลห้ารักษามาได้สามปีแล้วครับ สิงนแปดเดี๋ยวอาจจะสักวันนะครับอ่านแนล้าที่ระวังงย่ยงดีได้ครับท่านอาจจะประยุทธ์ก็บอกครับเหมือนที่พระอาจารย์เคยเทศว่าอาหารไม่มีหลายแบบท่านก็เทศในทางเดียวกับพระอาจารย์ครับแต่ผมไม่เข้าใจเองจริงจุดมุ่งหมายในการสอนมันคือเรื่องเดียวกันครับเข้าใจแล้วครับโอเคมีอะไรอีกไหม เหมือนช่วงนี้เขาจะมีปัญหากันในกลุ่มที่วงการนี้ทำงานเขาจะมีปัญหากันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่อยากไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยรเราเฉยๆไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรรับรู้ไว้ก็พอโอเคนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์รักษาสุขภาพครับไปทสดีโกเบคุณจุ โกเบนี่มีคนกี่ล้านเนียคนเยอเจ้าค่ะไม่ได้ยินเ้าค่ะกเบี่มีคนอยู่กี่กี่ล้านคนอืมไม่แน่ใจเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูไม่ได้สนใจว่าจะมีใครอยู่กี่คนนะครับขอขอประทานโทษด้วยนะเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรเนาะแต่เยอะคนเยอะใช่ไหมก็คนก็เยอะค่ะแต่ถ้าเทียบกับพวกทางอันโตทางโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยหรือทางอ่า โ ก, กเฟกาหรือเกียวโตอ่ะจะ<ม>จะไม่มากเท่าค่ะอืมหนูอยู่ที่นี่หนูไม่มีเพื่อนคนไทยเลยเจ้าค่ะผูอ้อาวุโสคนไทยน้อยคนไทยน้อยเจ้าค่ะอืมแล้วหนูไปทํางานที่นั่นได้ยังไงเนะเรอะไรนักการหนูไปอยู่ที่นั่นทํางานได้ยังไงไปทํางานที่นั่นได้ยังไงหนูแตอ่ะหนูแต่งงานหนูแต่งงานค่ะแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นนะ ใช่เจ้าค่ะแต่งไงก็เจ้าค่ะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วที่หนูเข้ามาฟังซูมพระจารนะค่ะพระอาจารย์บอกหนูว่าบอกเหมือนําหนิเล็กๆนะคะว่าให้หนูปฏิบัติให้แบบสิบ ต, ตอนหนึ่งก็คือฟังธาหนึ่งแล้วก็ให้ปฏิบัติสิบะอะค่ะหลังจากที่ฟังคมจากพระอาจารย์ไปเน่ะอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เลยหนูก็พยายามเพียนเจ้าค่ะก็คือ มีสติตลอดเวลาไม่ใช่มีสติตลอดเวลาสิคือเหมือนบริกรรมในใจตลอดเวลาตั้งแต่นอนหลับแล้วก็ตื่นอย่าเจ้าค่ะตั้งแต่นอนหลับนอนหลับมั น, นทำให้ได้หรอตั้งแต่ตื่นนอนหลับพอดีเสียงมันดังแล้วคนมันก็หลงมาไม่เตียวของนะอาจารพอดีเขาก็หลับกันหมดแล้วว่าเจ้าค่ะแล้วหนูไปที่นั่งตรงนี้มื่อกี้มั น, นเป็นทางผ่านพอดีเจ้าค่ะทางผ่านไปห้องน้ำ อขอกขอบคขออภัยนะเจ้าคะ่ะอ๋อไม่ได้ยินอ่ะไมไ่ยินเจีงอะไรเจ้าคะ่ะก็คืออาทิตย์ที่แล้วหนูก็หนูหนูก็เพียนเพียนแบบท่องพุโทโธในใจตลอดเวลาเลยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์แต่มันก็จะมีแบบหลุดบ้างนะคะตอนเวลาคุยกับคนนะเจ้าคะ่ะอย่างเวลาทํางานถ้าเราไม่ได้คุยกับใครหนูก็เพียนท่องไม่ใช่พุโทโธคะ่ะหนูหนูใช้คําบริกรรม พุทธังสลานังขะฉานี้อะไรเงี้ยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่แล้วแล้วพอดีคือหนูเคาลพนับถือหลวงปู่ท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านช่วงนี้ท่านป่วยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ออกโรงพยาบาลแล้วหนูสังเกตเห็นทุกครั้งที่ท่านมาเอามีพระสงฆ์เขาไปพบท่านหรืออะไรเงี้ยจะชอบสวด บทพ่อชงให้ท่านนะคะหรือกลุ่มพวกนั้นสวดพ่อชงให้ท่านหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราบริการอ่ะหนูสวดพ่อชงในใจดีกว่าแต่หนูหนูสวดแค่แค่ช่วงแรกค่ะมันจะมีแบ่งประสามช่วงใช่ไหมเจ้าคะอสวดแค่ช่วงแรกเพื่อว่าแบบหนึ่งจะได้ที่จิตเราด้วยแล้วก็สองจะได้ส่งไปให้ท่านด้วยซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ได้<ล>ทําได้จะถึงไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึง ค่ะก็จับที่ทํามาตลอดนะคะหนูคือหนูใช้ศรัท ธ, ธาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ทําเดี๋ยวท่านก็จะคือหนูเข้าใจหายคําว่าหายป่วยของคนชรานี่มันมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าเราก็คือเราศรัท ธ, ธาท่านเราก็อยากจะเอ่อคลิกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมตอบแทนท่านบ้างถึงแม้ว่าเราจะทํำอะไรได้ไม่มากอ็ะสะิ น, นะอาจารย์ะก็มันทําให้หนูเห็นความแปลก ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือจากเมื่อก่อนที่หนูเวลานั่งสมาธิเฉยๆปกติธรรมดาเนี่ยหนูจะเขาเรียกว่าไงจะมีอาการง่วงนอนก็คือถีนามิท้าเกิดบ่อยมากจนหนูทนไม่ไหวอะค่ะแต่ตอนนี้มันทำในช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูไม่เป็นนะเจ้าค่ะไม่ง่วงนอนแล้วก็ ไม่นั่งงอนแล้วก็ไม่หิวอะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดีนนแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พยายามเข้าข้างตัวเองนะเจ้าค่ะเมื่อวานตอนกลางคืนหนูก็เลยลองไม่ทําดูไม่ไม่สวดมนต์ไม่ท่องตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะแล้ววันนี้ทั้งวันหนูก็แบบไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บริกรรมดูปรากฏว่าวันนี้ตอนเย็นหนูหิวมากๆเลยเจ้าค่ะ เราเอาอันนี้เป็ น, ปนตัวบ่งชี้ได้ไหมคะว่าถ้าสมมติเรานั่งสมาธิดีแล้วเราจะนั่งสมาธิดีแล้วอะ่ะเราจะไม่หิวแล้วเราก็จะไม่ง่วงใช่แต่มันสมาธิมันไม่ยั่งยืนไงเีืยวกำลังมันหมดมันก็จะหิวยั ง, วง่วงพอสมาธิเสือ่อมมันก็จะเริ่มหิวขึ้นมาเจ้าค่ะก็นล้องอย่าประมาทอย่าเลิกทำทำไปเรื่อยเจ้าค่ะ ไม่มีใครสอนครับอาจารย์ไม่เคยสอนให้เลิกทาแล้วเลิกทำแต่เมื่อไม่มีกิเลสแล้วก็ยังมีมกิเลสอยู่ก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆคือหนูหนูลองทดลองดูค่ะถ้าสเราไม่ทํามันจะเหมือนเป็นเหมือนที่อาทิตย์ก่อนหรือเปล่าที่เราทํามาเพราะว่ามันไม่หิวจริ ง, รงๆนะก็เจ้าค่ะพระอาจารย์คือตื่นเช้ามานี่แบบุยไม่หิวเลยทำไมไม่หิวอ่ะไม่อยากกินข้าวเลยแล้วหนูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนูนอนน้อยด้วยเจ้าค่ะก็คือตอนตอน ก่อนจะนอนนี่หนูก็นั่งสมาธิไปรอบหนึง่งแล้วก็ตื่นมาทีตมตีสี่แล้วก็มานั่งสมาธิอีกรอบนึงแต่หนูนั่งแบบไม่ได้หวังให้มันยาวนะเจ้าคะหนูนั่งแค่แบบพอให้ไม่ได้ไดนั่งคะ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องดีอ่ะคะ่ะพระอาจารย์อืมก็เป็นแบบนี้ยคะ่ะเท่าที่หนูเล่าถ้าจิตมันสงบมันก็จะไม่หิว ถ้ามันไม่สงบมันก็จะกลับมาหิวได้นถ้ามันกลับมาหิวก็้องทําให้มันสงบพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนําเพิ่มไหมเจ้าค่ะอย่าหยุดทําทําต่อไปดีกว่าอย่าประมาาดีกว่าเจ้าค่ะถ้ามันจะไม่หิวถ้าเราหยุดทําเดี๋ยวมันก็จะหิวได้เจ้าค่ะทําไปได้่อยวันไหนวันไหนมันไม่หิวก็ทํำวันไหนมันหิวก็ต้องทําเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้ตั้งแต่นับจาก ที่เลิกจากคุยกับพระอาจารย์ไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มภาวนาเหมือนเดิมกลับให้เป็นเป็นเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะอ่าอย่าเพิ่งอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนกันก็แล้วกันทําไปมันจะเป็นเหมือนกันหรือไม่แล้วแต่มันเจ้าค่ะแต่อย่าหยุดทำทำไอ้กิเลสมันเลวร้ายเราหยุดพอเราหยุดป้ามันก็เลยสวนมันก็เลยมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านเต็มไปหมดนะเจ้าค่ะ มีอย่างหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเราทําบริกรรมตลอดเวลาทุกลมหายใจอย่างนี้แล้ว่เจ้าค่ะมีสิ่งหนึ่งที่มันทําให้หนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปก็คือพอเราใกล้พอเร า, เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหนูหลับตาจะนอนปิดไฟมืดแล้วอะ่ะมันก็ยังเป็นมันก็ยังสว่างอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นแสงมันเหมือนแบบก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปเฉยๆกันอย่าไปสนใจ<ป>มันนู้ดเฉยๆนู้เฉย ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเจ้าค่ะอวันนั้นนอนหลับยากมากเลยเจ้าค่ะอืเพราะว่ามันพี่ทําไมมันไม่มืดงนั้นเจ้าค่ะก็กลับมาที่กลับมาที่พุทโธแล้วกลับมาที่หลวงไงบริกรรมพุทโธไม่ใช่พุทโธสิพุทธังสาระจนหลับไปแต่ก็ไม่หลับบางทีจิตมันก็อาจจะมันก็อาจจะแสดงอะไรขึ้นมาให้เรา ได้นับูเราก็อย่าไปสนใจมันเจ้าค่ะก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมตอนนี้หนูอะไรเกิดขึ้นก็อยากยากให้มันดับถ้ามันไม่ดับก็ปล่อยมันอยู่ไปแต่ไมนต้องไปสนใจมันเจ้าค่ะคดูสินแปดเดี๋ยวนี้คือสิงแปดเจ้าค่ะเฉพาะวันพาไปทั้งวัน อ๋อหนูถือก่อนเข้าพรรษามันได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะก็คิดว่าจะลองเข้าพรรษานี้จะลองทําดูแต่ไม่รู้จะได้นานแค่ไหนนะเจ้าค่ะอืมแล้วคนที่เราอยู่นู่ยเขาไม่ว่าเราเลยไม่ว่าเจ้าค่ะอก็คือตอนนี้เหมือนเป็นรูมเมทกันเฉยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์อืออืมแต่วนต่างอยู่แล้วตัวไม่ตัวมันนานแล้วเจ้าคะพระอาจารย์ไม่มีเจ้าค่ะ ดีแล้วเราก็เราก็จะเป็นอิสระดีค่ะคือตอนนอนก็แบบเมื่อก่อนนอนเป็นแบบเตียงคู่ใช่ไหมคะก็เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนไปก็คือเขานอนเตียงส่วนหนูนอนพื้นเจ้าค่ะเอาผ้ามาปูปูนอนพื้นนะคะนานแล้วเจ้าค่ะไม่มีไม่มีปัญหาเจ้าค่ะเรื่องนี้ค่ะโอเคค่ะเอาทันีีก่อนนะมีอะไรไหม ตามกลับขอบพระคุณพระอาจารย์นักเจ้าคะ่ะจ้าสาธุจ้าไปที่คุณอาจารย์สายทิพย์อันนี้อยู่ขอแนแก่นก็อยู่มาหาสารคามกลั บ, บ น, นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นเจ้าคะ่ะถือศีลแปดคะ่ะรีบรายงานแต่ว่าวันนี้ได้ว่าทั้งพรรษา ตั้งแต่ว่าจะทั้งภาษาค่ะอะถือมาตั้งแต่วันอาสาระหะค่ะพระอาจารย์ ห, <laughs> หิว แ, แต่ก็อยู่ได้หิวมาสามวันแต่วันนี้วันนี้ดีค่ะแต่สามวันแรกนี้หิวหน่อยค่ะอืมพอเข้าที่แล้วมันก็หายหิวนะวันนี้วันนี้ดีดีดีขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เริ่มเริ่มนิ่งค่ะอะ ม, มีอะไรไหมวันนี้ ก็หนูอ่านหนังสือทำมาแล้วเข้าใจมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เรื่องของ<ม>สภาวะธรรมว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิงนี้จึงเกิดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหลายๆอย่างมันมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ท้ายสุดก็ก็ดับไป<ล>ะะอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็เข้าใจเรื่องของความไม่มีตัวตนก็เลยยิ่งสบายขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์รู<ม>้ ว, ว่ามันไม่เที่ยงอะไรจะเกิดก็เกิด แล้วก็ปึกถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นเงี้ยค่ะพระอาจารย์เอาคําสอนพระอาจารย์มาใช้ก็คือมีเกิดก็เกิดอยู่ก็อยู่ไปก็ไปเงี้ยคะ่ะอารมณ์ก็เลยไม่ได้ต่อต้านมันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดีขึ้นพยายามรักษาความรู้นี่ว่าเดี๋ยวมันถ้าไม่รักษาเดี๋ยวมันกเ็นกเสื่เดี๋ยวมันก็ลืมไปอือค่ะโน้เริ่มเริ่มมาอ่านหนังสือแล้วก็เข้าใจแล้วก็เอามาปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ ตอนนอนก็นอนไปกับโครงกระดูกตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วก็ฝันด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ฝันว่าไปเจอตระเข้ตายแล้วก็ตัดไตกองเต็มไปหมดเลยแล้วก็วันวันที่ตั้งใจว่ามองแบบแยกผมแยกคนแยกหนังตัวเองออกค่ะพระอาจารย์แล้วก็นอนไปกับกระดูกของตัวเองค่ะโชคดีที่ฝันเป็นปอดมองศัตว์ไม่ใช่ปอดตัวเอง ออก็ก็ตะยองอยู่นะคะพระอาจารย์มู้สึกโอ๊ยอะไรเงี้ยค่ะพยายามปฏิบัติทั้งทั้งทั้งด้านสมาธิแล้วก็ด้านปัญญาไปอ่านหนังสือไปด้วยค่ะพระอาจารย์ให้เข้าใจมากขึ้นได้แบ่งในบาลคนลครึ่งก็ได้นะสมาธิครึ่งปัญญาครึ่งค่ะแล้วก็พยายามฝึกสติ ให้มากขึ้นแต่ว่าสามวันที่ผ่านมาสมาธิไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ความไม่หิวเพราะว่าหิวหิวมากแต่วันนี้น่าจะได้อยู่ค่ะอืมจะพยายามค่ะพระอาจารย์ค่ะสค่ะไ ม, ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะพระอาจารย์อันนี้คุณชนะ ด, ดาชนา ด, ดาอันนี้กลับไปกรุงเทพแล้วเหรอแล้วอยู่เสียชา อยู่กรุงเทพค่ะพาจารย์อืมมันก็เดินทางมาใส่บาตจากกรุงเทพเลยนะก็ถ้าวันไหนจะไปใส่บาตก็คือไปนอนศรีราชาค่ะพาจาย์ค่ะรอบที่แล้วก็พาลูกค้าไปใส่บาตค่ะพาจารย์อืนช่วงนี้ก็โปรโมชั่นพาลูกค้าไปใส่บาตค่ะพาจารย์ไมเลยทำไต้องพาเข้าไปด้วยก็เออ ก็หนูเอ่อรูปเป็นคนนําเสนอเองาาาอะค่ะผอาจารย์อ่าก็จะมีลูกค้าบางคนที่เขาเคยไปครั้งแรกแล้วเขาก็อยากไปอีกเลยพอเขาบอกมาลูลกก็จัดให้อะค่ะผอาจารย์อืแต่ลูกก็อยากไปคือคือพอลูกค้าเราไปเราก็อยากไปอำนวยความสะดวกอะค่ะผอาจารย์อืมประมาณนี้ก็ดีนะเดี๋ยวนี้มีมีโปรโมชั่นพาไปใส่บานนะใช่ค่ะผอาจารย์เม <c oughs> ื่อก่อนจัดเที่ยวหรือให้นู่น มีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้โปมชั่นพามาใส่บาทครับอาจารย์พาไปสวรรค์นนะค่ะอาจารย์แล้วก็แบบเอออาจจะมีให้เขาพักพูลวิลล่าแถวแถวสัตหีบอะไรเงี้ยบ้างอะค่ะาอาจารย์แล้ตอนเชา้าก็ให้เขาไปใส่บาทกัน อ, อะไรเงี้ยไดอมาพักผ่อนด้วยนะใช่ค่ะาอาจารย์ค่ะดีนี่ก็มาหลานขอบคุณค่ะอาจารย์เอ่อ เ อ, อก็ลูกก็ทําอะไรมาตั้งหลายอย่างแล้วอะค่ะลูกก็เลยคิดว่าในระหว่างเนี้ยที่ที่เรายังไม่ได้แบบภาวนาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็เอานํามาใช้ในงานด้วยเอามารวมๆกันให้หมดในการใช้ชีวิตอะค่ะพระอาจารย์อ mm hmm. ถ้ามีมีมีโอกาสอะไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็เอามาสอดแทรกอะค่ะ ในการอะไรแบบนี้ค่ะพาจารย์แม้กระทั่งแม้กระทั่งการทำงานด้วยค่ะพาจารย์เมื่อก่อนเราจะต้องแบบทำยอดให้ได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องพูดยังไงก็ได้หรือทำาไงก็ได้เพื่อให้ได้ยอดขายเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะพาจารย์ mm hmm. ตอนนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าลูกรู้เลยว่าการทำแบบนั้นนะ่ะถ้าลูกยังต้องทำแบบนั้นอยู่มันก็จะเป็นการนำเข้าซึ่งเราต้องนำออกในเรื่องของความอยาก ใช่ไหมคะผูจารย์แล้วมันจะสวนอำนความอสะดวกใช่ค่ะมันลูกรู้สึกว่ามันจะสวนกันอยู่อย่างนั้นแหละซึ่งซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่มันเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ไปไปไม่ได้สักทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วณวันเนี้ยเราก็ยังต้องทํางานอยู่ลูกก็เลยเออ่จัดสรรว่าเอลูกลูกเป็นผู้ให้ดีกว่าลูกทํางานในแนวแบบจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แบ่งปนันแชร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วก็<ม>แล้วแต่ว่าลูกลูกค้าเนี่ยจะปรารถนาทำมากน้อยหรือสเตปไหนก็ให้เขาแบบให้เขาตัดสินใจเอง<ม>อะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วลูกได้แค่ไหนก็แค่นั้นลูกพอใจ<ม>ลูกพอใจลูกพอใจ<ม>ก็คือเมื่อก่อนเราเคยได้เยอะๆเราได้เยอะๆเราเราเป็นอันดับต้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่เราเคยแบบ ดูดีดูมีเกียรติดูอะไรเงี้ยลูกออกปล่อยออกไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็อยู่แบบเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะท่ามกลมันทั้งชันโดนค่ะแล้วก็แสส่วนกระแสกับในในในการใช้ชีวิตมากค่ะพระอาจารย์<ม>เพราะว่าสังคมที่เราอยู่มันเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งลูกก็เออ่ไม่ได้สนใจว่าผู้ใหญ่จะมองยังไงหรือใครจะมองไงยอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งถ้าถ้าลูกอยู่ตรงนี้เราไปได้แบบลักษณะแบบนี้ อ่แล้วตำแหน่งหน้าที่มันจะแบบเล็กลงหรืออะไรลูกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วค่ะแต่ก็แต่ก็ขอคือให้มันอยู่ได้แล้วกันแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าสมมติว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ในตรงนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะลูกก็คิดว่าลูกก็ลูกก็พอคือได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วว่าค mm hmm. ่ะพาอาจย์อืมอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพ า, าราจย์แล้วลูกใจลูกมันเป็นสุขอยู่ตลอดตอนนี้แบบมันคือถ้าแบบคืออาจจะ สมมติว่าเจอเหตุการณ์อะไรบางเหตุการณ์กระทบกระทั่งแต่มันก็คือเล็กน้อยมากเลยค่ะผอาจารย์เราก็แทบไม่ไม่ไม่ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เลยค่ะเพราะใจมันเป็นใจมันดีใจมันดีตลอดตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผอาจารย์ค่ะมันยังถ้าได้ปฏิบัติทำแล้วมันก็จะปล่อยวางตามแต่สิ่งต่างๆได้ค่ะเหมือนใจมันมีเครื่องอยู่อ่ะค่ะพผอาจันแล้วผ่านเรื่องแบบค่ะตอนนั้นที่ลูกเครียดมากที่แบบว่า มันไม่ผ่านไม่พ้นสักทีอะไรเงี้ยลูกพิจารณาดูที่แบบโหลูกแทบตายเหมือนกันถ้าไม่เจอครูบาอาจารย์สั่งสอนแทบตายนะคะพระอาจารย์เน้วเรื่องมันใหญ่เรื่องมันแบบมันโหดมากเลยมากเอ่อแล้วพอมันพอเราเราปฏิบัติแล้วเรารู้ถึงเข้าไปในถึงจิตใจเราแล้วอะเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วว่ามันคือความอยากที่ทําให้เราทุกข์อะที่สุดแล้วทุกเรื่องเลยค่ะพระอาจารย์ทุกเรื่องเล ย, ะะาา ย, เเลยไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่มันคืออยากคําเดียว พอมันเข้าไปเจอตรงนั้นแล้วทีเนี้ยมันมันรู้แล้วอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยแบบก็คือปล่อยวางหยุดความอยากใช่ก็ปัญหาก็หมดไปใช่ค่ะพระอาจารย์รอบรอบที่แล้วลูกไม่ได้เข้ามาข้างในซูมนะคะแต่ว่าลูกเห็นพี่คนคนหนึ่งก็คือเห็นเห็นบอกว่าเจอเจอเรื่องหนักมากอยู่สามเรื่องะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกยังค่ะห้าค่ ะ, คะแล้วลูกก็ยังนึกถึงแทนเขาเลยนึกนึกแทนเขานะคะว่าเขากําลังจะดี อืถ้าเขาถ้าเขาห้ามตรงนั้นไปปุ๊กเนี่ยเขาจะดีแล้วเขาจะดีเลยอ่ะหนูหนูเชื่อว่าตรงนั้นนะคะอืมค่ะหนูรู้สึกได้หนูคิดว่าจะเป็นอย่างงั้นนะคะอาจารย์โอเคค่ะประมาณก็ขอให้หนูเป็นเหมือนเขาแล้วกันนะต่อไปค่ะนึเป็นแล้วเราผ่านมาแล้วหนูค่ะหนูผ่านหนูผ่านแล้วนะคะอาจารย์หนูผ่านโอ้ชาวอาจารย์แล้วก็แอบ อันนี้สบายใจไม่เคยเครียดในเรื่องงานแล้วนะใช่ใชค่ะพระอาจารย์<ม>แต่การบ้านที่พระอาจารย์ให้มานี่หนูก็ยังช้างอยู่นะคะพระอาจารย์ ม, มันช่วงนี้มันกําลังเหมือนจะเหลืงค่ะพระอาจารย์ก็<ม> <laughs> จะวีดูซีรีส์อะไรบ้าง <laughs> อย่าประมาทนะ่าอย่าประมาทอย่ามันจะลามปางไปนจะถอนยากค่ะค่ ะ, คะแล้วก็พระอาจารย์เคยเตือนว่าอะไรถ้าเราเคยคือเราเราแบบว่าเอา่อ ค่อยๆเลื่อนระดับแล้วเราเราก็ไม่ควรที่จะถอยลงไปอะไรเงี้ยควรจะรักษาไว้ให้อย่าง น, อน้อยจะต้องอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังอยู่แต่ลูกก็แอบเห็นหรือว่ากิเลสเดิมๆที่เราเคยผ่านานเกือบจะเหมือน <h ums> เหมือนคิดว่าผ่านแล้วมันก็มามาม า, มากับมาวอกแวกอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะพอาจารย์ก็ก็แอบเห็นอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยรู้ก็เลยพอเข้าใจค <ums> ่ะอาจารย์แล้วลูกก็เข้าใจคําสอนที่พระอาจารย์บอก อย่าเลี้ยรายนะทําบุญอะไรเงี้ยโอ้โหลูกเข้าใจอยู่ดีๆมันก็เข้าใจลึกซึ้งไปเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์อืมบอกบุญได้แต่อย่าไปเลียลายเขาอย่าไปขอให้น้องค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะว่หลายๆเรื่องค่ะพระอาจารย์มันแบบ อ, อยู่ดีๆปัญญามันก็แบบมันเข้าใจแบบถ้ามันจําเป็นก็ไม่ต้องบอกกันได้เราทำของเราเข้าไปค่ะเ ร, เรื่องทำบุญนี่เรื่องส่วนตัวคิดอย่างนี้ดีกว่าค่ะพระอาจารย์ นอกจากคนที่เขาบอกไว้ตรงหน้าแบบว่าถ้าจะทําบุญช่วยบอกด้วยเขาบอกเข้าไปค่ะค่ะจะค่ะพระอาจารย์จะอยากให้พระอาจารย์เมตตาสอนสอนสั่งโยมไอ้ลูกไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เออเข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆก็ทุกวันพูดเนี่ยค่ะค่ะไม่ไม่ติดอะไรเข้าตลอดจะเข้าตลอดละค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะนะสาธุอบค่ะพระอาจารย์อไปที่คุณที บุนีอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนอยังไม่ได้ยินเสียง้นักมัธยมวัฒน์อาจารย์ครับที่มากับแฟนครอยู่ทางทองแฟนอยู่กรุงเทพครับก็เดี๋ยวต้องเข้าซูมเพราะว่าอยู่นครแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ไปหาท่านอาจารย์เราเลยต้องม า, มาทางซูมหมืนครับโอเคได้เหมือนกันครับ ค, ม, ค, บคบมีอะไรก็วันนี้แวะมากาบมธยมวัฒน์อ า, าจารย์เฉยครับโอเคมาลองแชร์ดูก่อนนะ ครับแล้วก็ปกติไปที่น้ากฎครับโอเคนะครับเรื่วัฒนการพระอาจารย์ครับอสาธุสาธุครับอาจครับอันดีแม่น้องเลนต่อแม่น้องเลนเอาวันนี้เดียวไหนกระช้บไหนเวลาใกา้จะหมดแลแม่น้องเลนมีอะไรไหมพระอาจารย์คะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์ตักทายนะค่ะพระอาจารย์โ okay. อเคยนไปดูคุณแอนต่อคุณแอน ไปเข้ามาฝากคุณแดงจัดนมัสการค่ะหนูเป็นเด็กใหม่ค่ะหลวงพ่อวันจันทร์หนูเพิ่งเอพิ่งได้เข้ามาครั้งแรกค่ะพอดีเพิ่งจะอ่าจริงๆอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ ะ, ะมาคุณนานแล้วเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพนะค่ะอยู่โตเกีย ว, วอยู่ที่ไหตอนนี้อยู่นาริตะค่ะอยู่ฝัง่งโตเกียวเนะะี่ยค่ะอืมค่ะอีก้นาบินะสน้ําบินเก่าก็ชื่ออะไรนเลยมไปแล้ว สนามบินถ้าที่หลักๆก็คือชื่อนาริตะค่ะแต่ว่าที่อันเก่าอันเก่าชื่ออะอันเก่าขึ้นเนี้ยนะคะน่าจะเป็นอันนี้หรือปล่าคะนาริตะเป็นอันอันแรกเลยแล้วก็มีฮันิะฮันิดะนีอันเก่าค่ะ๋อฮันิดะใช่ใชนาริตะเั่นจะมันคนละฝั่งกันแต่ว่าเขาเป็นแถบโตเกียวเหมือนกันค่ะพอดีประมาณที่เราไปญี่ปุ่นมันยัไม่ฮานิดะมันยังไม่มีนาริตะอ๋อถงั้นหนูอาจจะ จำผิดแต่ว่าของหนูเนี่ยส่วนใหญ่จะบินหลังๆก็จะบินทานในดาเหมือนกันหนูเป็นหนูเป็นลูกเรือค่ะ<ม>ก็จะมาญี่ปุ่นบ่อยหน่อยค่ะรอบนี้มานาลิตั<ม>ค่ะหนูเป็นเด็กใหม่เป็นมืองใหม่หัดนั่งสมาธิค่ะหลูงพ่อคือพอดีก็เห็นเห็นทางพยายามช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเสาะหาอ่า ทามาหาวิธีการปฏิบัติะคะ่ะก็คือได้ลองลองดูทาง y o u ูทูบมาแล้วก็มาเจอพระอาจารย์นะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่าฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็ช่วยได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายหนูก็เลยลองลองเข้ามามาฟังดูอะคะ่ะมาความรู้แต่ว่าถามว่ายังตอนนี้ก็คื อ, อยังยังยังไม่มีความรู้อะไรเท่าเท่าคนอื่นเขาที่เขาเคยปฏิบัติกันม า, นานแล้วหนูเพิ่งเริ่ม เริ่มได้นั่งสมาธิได้หัดนั่งมาได้ประมาณสองสมเดือนนะคะก็พยายามทำไปค่ปะปัจจัยสำคัญก็คือสติเราพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนมานั่งได้จนดีค่ะก็คือคือสา ม, ส, ามสองสองสมปีที่ผ่านมาหนูมีมีปัญหาในชีวิตเข้ามาแล้วก็แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เจอวิธี ไ ม, ไม่ไม่หาทางออกไม่ได้ก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สําเร็จแล้วก็คือเหมือนกับยิ่งทาให้ให้ใ ห, ให้ไม่มีสติไม่มีไม่มีสมาธิแล้วมันมันทําอะไรไม่ได้ก็ น, นี่เพิง่งเพิ่งจะเพิ่งได้เจอการยานามิตรแล้วก็ไ ด, ได้ได้ลองเจอได้มาเจอพระอาจารย์ในใน u ูทูบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาฟังเอามาปฏิบัติดูตอนนี้ก็ก็พยายามฝึกอยู่ค่ะพยายามพยายามเอาสติให้ให้ให้ให เอานั่งสมาธิเกิดสติให้ได้ก่อนนะคะอาจารย์มีอะไรจะแนะนํำไหมคะมือใหม่ก็พยายามฝึกสติไปตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นตั้งแต่ดึงตามขึ้นมาแล้วก็พุทโธพุทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูร่างกายเราก็ได้แล้วเราจะมีสติมากขึ้นตามลําดับต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้ง่ายนั่งได้นาน น, นูพยายามนั่งก็คือได้ประมาณวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็ไม่มไม่แน่ใจว่าอย่างไรแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ว่าได้อะไรนะคะรู้สึกตัวแค่รู้<ม>สึกว่ามันมันเบาลงแล้วก็<ม>อ่าสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก่อนเมื่อก่อนถ้าเราฝึกสติมาม า, มามากหน่อยเราก็จะได้ผลมากกว่านี้จิตก็จะสงบมากขึ้นยิ่งกว่านี้อ อาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมคะว่าหนูควรจะนั่งสมาธิเริ่มแรกเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่ได้ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้คือเหมือนหนูรู้สึกว่าเวลาเริ่มนั่งสมาธิของหนูครั้งครั้งแรกแรกเนี่ยคะ่ะอ่หนูก็เริ่มห้านาทีสิบนาทีใช่ไหมคะแต่แล้วพอหนูนั่งไปได้ประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่หนูเริ่มจะ รวบรวมสติได้แล้วอาจารหนูนักหนูหนูสมควรจะตั้งเวลาไหมคะพอพอหนูตอนนี้ตั้งเวลาตั้งสติดีกว่าให้ให้ให้ให้มีสติแล้วกนั่งไปเรื่อยๆจํากัดเท่โหมดกำลังของสตินะค่อยเๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอนั่งได้สักยีสิบนาทีมันเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มจะรวบรวมสติได้เริ่มแบบเบาตัวเงี้ยมันก็สามสิบ้านาทีแล้วมันก็ ปิ้งกันมาหนูก็ต้องออกอหรือว่าหนูควรจะปล่อยไปเรื่อยๆเลยปล่อยไปเลยนอกจากว่าเรามีความจําเป็นจะต้องไปทำธุระอะไรจะค่อยตั้งถ้าไม่มีไม่ต้องไม่มีเรื่องจําเป็นจะต้องไปก็อย่าไปตั้งเวลาทีว่า่าแล้วก็ตอนเนี้หนูยังอรู้สึกยังมีความกลัวในการนั่งสมาธิจะนั่งอยู่เฉพาะเวลาอยู่บ้านอย่างตอนนี้มาอยู่ญี่ปุ่นเวลาไปบินอย่างเนี้ยค่ะ ชอบแบบมีความกลัวนั่งสมาธิในที่ที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยหนูไม่ตหนูนั่งไม่จําเป็นต้องกลัวใช่ไหมคะคือนั่งได้ไม่มีอะไรละนั่งได้ทุกแ่งทุกคนใช่ค่ะใจเรามันไม่ได้อยู่อยู่ในโลกนี้ใจมันอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ไไม่ไม่ไม่ว่าจะนั่งที่ไหนมันไม่มีผลมันไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจที่เรานั่งตอนนี้ยังยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่เข้าใจคือยังไม่มี ไม่มีสูตรให้ตัวเองหรือว่ายังยังไม่รู้วิธีการเริ่มเริ่มปฏิบัติอะคะ่ะก็เลยจะแอบคิดกังวลตรงนั้นตรงนี้แล้วก็อย่างแค่แค่เวลาจะเข้ามานั่งเริ่มนั่งสมาธินี่หนูก็จะจะจะไม่ค่อยรู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นไงเราควรจะต้องกราบอาลาดธนาอะไรบ้างหรือว่าจะต้องพูดอะไรยังไงคือหนูหนูก็นั่งของหนูไปเรื่อยแต่ว่าก็ฟังตามที่พระอาจารย์บอกแต่หนูหนูยังรู้สึกว่าตัวเองยังยังทําไม่ถูกวิธีเงะะี้ยค่ะ มันจิตมันยังแบบว่ากังวลไปเรื่อยเลยว่าเราทําถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วหนูถ้าถ้าจะเริ่มนั่งสมาธิในในแต่ละวันเนี่ยหนูหนูต้องพูดอะไรยังไงบ้างหรือว่าต้องคิดอะไรยังไงบ้างเงี้ยคะ่ะส่วนวมนุษยเวลานั่งนี่เราก็ต้องมีอะไรควบคุมใจไม่ใช่นั่งเฉยเฉยเช่นเราต้องดูลมหายใจเข้าออกหรือเรใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอย่านั่งเฉยเฉยเข้าใจไหม เรามานั่งเวลเ า, านั่งหนูใช้ได้หรือเปล่าหรือนั่งเฉยๆหนูหนูก็พุโทโธค่ะก็คือคือหนูหนูนึกว่าต้องพุโทโธไปด้วยแล้วก็ดูลมหายใจไปด้วยแต่พอมาฟังพระอาจารย์พระอาจารย์พูดเหมือนว่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หนูก็ยังติดเพราะว่านั่งไปอยู่ดีมันก็จะประพุโทโธเข้ามาเองพร้อมกับลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมั น, ม, นมันทำสองอย่างได้ก็ทําก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความพอใจของเราค่ะค่ะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะไปขอนั่งอาจจะไปที่วัดไปขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ถ้ามีโอกาสถ้ามีบุญสัมพันธ์ได้ไปพบอาจารย์นะคะตอนนี้ดูก็จะจะพยายามพยายามจะขอคําแนะนําที่นี่อย่างดีที่สุดถก็ามามาที่กรุงเไพแล้วไม่สะดวกอ๋อไม่ได้เจอเจอแต่ไม่ได้่อยคุยกันค่ะ งัเดี๋ยวหนูจะพยายามเข้ามาในซูมเรื่อยๆนี่ก็เพิ่งเพิ่งอันนี้บังเอิญได้มาเจอไม่ไม่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าวันนี้มีซูมก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนูที่มากลุดมาคุยกับพระอาจารย์ครับทุกทุกวันพุธสองทุ่แต่ที่โตเกียวเนี่ยของตอนนี้หลายทุ่มแล้วนะตอนนี้เทียงเตียงคืนค่ะเตียงคืนในนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะาหนูไปได้ทั่วโลกออืพร้อมเจอพระอาจารย์ได้ท้าจารย์ อาจารย์ยออนไลน์อยูจากพะยาคอาย์ทุกวันพุธก็มาได้ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีคืนหนึ่งคืนวันอาทิตย์ก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นสูมแต่เป็นการคุยกับคุณหมอคนหนึ่งแล้วสามารถส่งคําถามเข้าไปถามได้ค่ะอ<า>ันน<า>ี<า>้งั้นหนูขอถามอีกรอบหนึ่งค่ะหนูหนูไม่รู้จะใช้คาถามยังไงคือคือถ้าก่อนต่อไปนี้คือถ้าหนูนั่งก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิคือก็ไม่จํเาจเป็นต้องสวดมนต์ก็ได้แต่ว่าอาจจะแค่และนั่งแบบ รวบรวมจิตตล้ลึกถึงพระอาจารย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็อรรลุพุทโธไปใช่ไหมขอให้เรามีสติให้เรามีสติเวลานั่งท่านเองจะมีสติอยู่พุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้หนูเดี๋ยวหนูจะลองเริ่มทําโดยที่ไม่ตั้งเวลาเพราะว่าพอรู้สึกพอเริ่มสติมันมาได้ยี่สิบนาทีเงี้ยพอหนูเริ่มจะอยากนั่งไปแล้ว มันหนูไปดันไปตั้งเวลาไว้สามสิบห้านาทีตอนเนี้ยค่ะไม่ไม่ไม่คิดคิดว่าคุณจะตั้งไว้แค่นี้ก่อนหนูไม่กล้านั่งนั่งแบบนานๆไม่รู้ว่าอ่ไม่รู้ว่องสนใจนั่งได้นานถ้าหลายยิ่งดีไม่มีไม่มีโทษไม่มีภัยใดๆได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะลองพยายามเริ่มฝึกไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะให้ดีก็พยายามฝึกสติก่อนที่มานั่งด้วยเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยก็ได้พอเลื่ตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธไป อย่าอย่าปล่อให้ใจไหไปคิดกันเรื่องนั<ๆ>้นเรื่องนี้ตอนนี้ก็พยายามอยู่แต่ว่าพระพูดตามตามตรงคือที่สองสามปีที่ผ่านมาหนูหนูรู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองเจอเรื่องหนักมากในชีวิตแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้คือมันทําให้หนูยังยังคิดบกวนคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสติยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าสามเดือนนี้หนูพยายามพยายามอย่างที่ท<ไ>ําตามที่พระอาจารย์บอกก็คือพยายามตื่นมาก็คือทําอะไรก็คือเหมือนถ้าถ้าจิตโมโหหรือว่ามีมีโทสะมีอะไรหนูพยายามก็ ดึงตัวเองกลับมาให้อยู่กับตัวเองไม่แบบเอาจิตไปอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งที่เราโมโหก็ก็ช่วยได้เยอะขึ้นเลยค่ะแต่คงยังต้องอีกต้องฝึกอีกเยอะเลยเราใช้พุทโธดูเลยพอลืมตาก็มาเราพุทโธพุทโธไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะลองลองใช้ใช้อันนี้ดูขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะดีท่ะดจอะแล้สวัสดีค่ะคุณเจ้าต่อคุณเจ้าพรอเดินอาริกกร แบบแม่ามาส ก, การค่ะพระอาจารย์มียังไงมีอะไรไหมวันนี้พระอาจารหนูมีคําถามเรื่องอการฆ่ากิเลสอะคะ่ะพระอาจารย์คือวันก่อนหนูมีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณยี่สิบนาทีมันก็ยังไม่หายไปจากใจหนูก็เทกไปถามเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรด้านพุทธศาสนานะคะแล้วเขาก็แนะนํามาว่าก็ไม่ต้องไปอยากให้มันหายสิ แค่ดูรู้ให้มันรู้เฉยๆว่าเออเป็นความทุกข์อยู่อะไรเงี้ยค่ะทีนี้พออ่านมาใส่ตรงนี้ปับป๊บอะความทุกข์ใจตรงที่หนูมีอันนี้ยมันก็ดับไปหนูคําถามหนูก็คือการดับความรู้สึกดับลงไปของทุกตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิโรธในอริยสัจสี่เปล่าค่ะหรือว่าไม่ใช่ก็มันดับเพราะเหตุ ด, ดนะมันดับด้วยปัญญาหรือเปล่าหรือว่ามันดับเพราะว่ามันหมดแรงมันดับไปของมันเองอ๋อโอเคค่ะหนูคิดว่ามันเป็น นูคิดว่ามันปัญญาเพราะว่าเพราะคือตอนแรกมันก็มีของมันเป็นความรู้สึกขุ่นมัวอยู่จนกระทั่งพออ่านคําแนะนํานี้แล้วมันก็เลยคิดทำไมในใจว่าเออมันคือความอยากของเราเราอยากที่จะให้มันหยุดทุกข์แทนที่จะยอมรับมันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอพอเป็นความรู้สึกนี้ขึ้นมามันก็เลยความทุกข์ที่มันมีอยู่พออ่านมาเสร็จก็เลยเข้าใจว่า อาจจะเป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นแต่อาจจะยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงหมายความว่าถ้าเที่ยวหน้าหนูเจอปัญหาคล้ายกันอีกมันอาจจะยังทุกข์อยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเออมันก็ปัญหาหรือเหตุที่ทำให้เราทุกข์มันมีหลากหลายด้วยกันนี่นไม่ต้องไปกังวลถ้าเรารู้หลักแล้วว่าควาทุกข์ของเราเกิจากเหตุคือความอยากทุกครั้งเวลาเราทุกข์ลองค้นหาหรือว่าตอนนี้เรากําลังอยากอะไรค่ะ แล้วสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นไปได้หรือไม่ที่เราอยากแล้วมันมันเป็นมันที่ทําให้เราทุกข์เพมันเป็นไปไม่ได้เยี่ยงั้นเราก็อยากไปอยากมันเรายอมยอมรับความจริงว่าเป็นอยากไม่ให้มันเจ็บใข้ได้ปวดก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปความคิดแบบนี้ถือเป็นอ่าหลักเดียวกันของคําว่าท่ากิเลสไหมคะคืออย่างเช่นสมมติถ้าหนูนั่งสมาธิแล้ว หนูมเีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเจ็บปวดแทนที่หนูจะเออ่แล้วหนูก็คือรู้ตัวแล้วว่าเป็นที่หนูเจ็บปวดเพราะหนูอยากให้มันไม่เจ็บหนูก็เลยยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าหนูพิจารณาว่าเออเป็นเพราะความอยากของเราเองให้ละความอยากตรงนี้อ่าการกระทําความคิดแบบนี้ถือเป็นการฆ่ากิเลสหรือเปล่าคะหรือว่าใช่ก็การหยุดกิเลสหยุดกิเลสจะฆ่ากิเลสกันโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะ คือไม่ได้ไม่ได้แปลว่าหนูต้องไปเพราะหนูบางทีหนูจะเห็นบางท่านจะที่ลองทำเช่นว่าถ้าไม่ถ้าแบบไม่ไม่ยอมละการไม่ทานอาหารเที่ยวน้าจะอดอาหารนะหรืออะไรแบบอย่างนี้ค่ะสำหรับหนูหนูินูรู้สึกว่านั่นคือการค่าคือเหมือนเราไปเราไปทำโทษมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแค่พิจารณาว่า อ, อ, อยากทานอาหารหลังเที่ยงนะแต่เราก็ไม่ได้ทำโทษอะไรมันอะไรหนูก็เลย อ่าเข้าใจว่ามันต่างกันแต่จริงๆก็คือวิธีการไหนก็แล้วแต่แต่ว่าให้สังเกตที่ว่าตัวกิเลสที่มีอยู่มันเบาบางลงไม่ว่าเราจะใ ช, ใช้การฝูหรือแค่พิจรารณาถูกไหมได้้วแต่แล้วแต่อุบายของแต่ละคนอันนี้เข้าใจละค่ะแล้ ว, แ, ลวแต่เราอุบายก็อาจจะไม่ได้ใช้กับทุกกรณีไปกรณีอือ่นอาจจะต้องใช้อย่างอื่นไปก็ได้อ่าแต่ถ้ากราณีที่ดีเสีย ก, ก็คือ พิจารณาให้เห็นว่าที่เราทุกข์ก็เพราะความอยากค่ะแล้วก็สิ่งที่เราอยากมันเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอย่ง น, นี้จังหน้าตาค่ะเราก็ต้องยอมรับเราก็หยุดความอยากได้เข้าใจแล้วค่ะอืมมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์วันนี้สาธุค่ะขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์โอเคคุณไทยรัฐเชียงสยามแรัฐไม่ใช่ไทยรัฐสยามนั้น มินสยามนันอยู่ที่ไหนมานัสการครับเอ่อมาจากสหรัฐครับผมมชโอเคืองอะไรเบืองเอ่อวิกซ์มวิซมัอันนี้อ่ากลับมานัสการครั้งแรกที่เข้า zoom ครับผมเรียนนังเซลอยู่เลเรียนอยู่ครับเรียนมหาอะไรมหามหาลัยครับผมคณอะไร อ่าคณะเรียนแพทย์ครับผมเรียนแพทย์นะโอเคเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งที่หน้านเลยเริ่มไปเรียนต่ออ่าผมอืมเอ่าเตั้งแต่ก็มาตั้งแต่ก้าวกวดครับผมอืมมาพูดทายชั้นดีนะขรับคุณครับมีอะไรไหมอ่ามีคําถามครับผมคือว่าเวลานั่งสมาธิต้องใช้อ่าวิธีการไหนอ่ในการนั่งที่จะเหมาะสําหรับตัวเอง เราจะวิปสัสสนากรรมฐานแบบอพุโทโธหรือว่ายุบหนอทองหนอหรือว่าเป็นแบบสัมมาอ拉หังนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ได้ทัครับผมใช้ใช้คําบริรกแบบนี้ครัแล้วก็เป็นคําบริกรรมใช้เวลาลนั่งแล้วเราก็บรุกรรมไปถ้าเราใช้พุโทโธกับพุโทโธพุทโธไปภายในใจแล้วเราใช้สัมมา阿 ร, ราหงัง่าสัมมาหังไป ถ้าเราจะอยู่ยุบหนาอพองนอ่แล้วก็กําหนดที่หน้าทางง้องหรือเวลาลมเข้าความก็พองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็ยุบลงไปครับผมคือครูบ า, บาอาจารย์บอท่านบางท่านก็บอกว่าให้มองอ่ในท้องแล้วก็จับลูกแก้วบางท่านก็บอกว่าให้มองอ่คิดถึงอ่รูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็ ใส่ที่หน้าผากคือผมก็ไม่รู้ว่าสอันไหนดีที่เหมาะสําหรับตัวเองโือวิธีง้ายที่สร็จก็พุโทโธครับผมโดยว่าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้แล้ว เ, เรามักจะใช้สองวิธีนี้ครับผมเลือกได้ไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างพุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้เราหายใจตลอดเวลา mm hmm. ใช่ไหมเราก็นั่งดูกะดูลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูก ครับผมท่นนี้แหละเพื่อทีเพื่อที่จะดึงใจไว้ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าอย่าปล่อยให้ใจไปคิดนะต้องดูลงเฉยๆแล้วพุโทโธเฉยๆครับผมพอยจะเข้าใจอยังเข้าใจแล้วครับต้องทําดึงนั่งหลั บ, บตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแั้วถ้ายจะดูลงก็ดูที่ปลายจมูก ลมข้าฝันเลื่อว่าลมเข้ า, ล ม, ขาลมออกฝันเลืว่าลมออ ก, อ, อ, กอืมับผมอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมได้ยินไหว่าถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วพอได้จับพุทโธไปเรื่อยๆแล้ ว, ลวบางทีมละมันก็พาเราไปบางทีเราไม่ต้องจับพุทโธแล้วพอเราได้ได้ที่เราใช่ไหมครับคือก็แค่ปล่อยไปคือมันมันปล่อยพุทโธไม่ได้จนกว่าจิตมันจะนิ่งจิตจะนัวถ้าเกิด<อ> ตอนิ่งแล้วคือแบบมันก็ปล่อยไปได้ใช่ไหมครับเราก็จะรู้เองว่าตอนนั้นจิตนิ่งถือไม่ดิ้นนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรให้รู้เฉยๆไปให้อยู่อันนั้เขาเรียกว่าเป็นสมาธินะเมื่อทาสมาธิเราเราก็อยู่กับความสงบไปครับผมมารนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบแล้วความสงบของใจนี่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหมดครับผม ก็แค่นี้ละครับโอเคนะลองทำดูนะแต่อย่าไปหยุดเองนะอย่าไปหยุดพุทโธเองนะต้องให้มันให้จิตมันหยุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตอนนี้จิตมันหยุดนะถ้าจิตยังไม่หยุดก็เราต้พุทโธต่อไปเรื่อยๆโอเคครับรับคัณครับเรียนที่มหาลัยที่ไหนนะเออเรียนที่โอ๊ค c o m ด์คอมเมดี้คอรครับอ๋อยังเรียนอยูซีนี่ขยาดยัง ครับผมแล้วก็จะย้ายต่อไปปีไหนแล้วปีสองอก็จะขึ้นปีลรกก่อนครับปีแรกก็พูดเข้าปีแรกก่อนครับผมเพืเ่อจะว s c h ่ว l มาเลยครับประมาณนั้นอโอเคหวังว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะครับผ ม, ค ร, บผมครับุณครับโอเคอันนี้ก็ไปที่คุณล้วนไะด้คุณแล้วนมีคำถาม กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคําถามจากคุณธีรภูมิกลับนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาผมมีอาการแพนิคผมหายใจเข้าลําบากหัวใจเต้นเร็วและแรงขณะนั้นผมมีความกระวนกระวายใจผมพยายามมีสติโดยกําหนดดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุโทโธไปพร้อมกัน แต่ก็ทำให้เกิดความกระวนกระวายใจมากขึ้นเพราะผมต้องดูลมหายใจในขณะที่ผมหายใจลำบากครับผมจึงคิดว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตการดูลมหายใจเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับผมถึงเวลานั้นผมควรกำหนดอย่างไรครับไม่ใช่คำพูดโถพูดโธคาเดียวไปปฏิกรรมพูดโถพูดโถพูดโไปไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจเขาออก สองคำถามเกี่ยวกับการแผ่เมตตาคำถามที่หนึ่งการที่เราจะแผ่เมตตาเราจะต้องทำบุญก่อนเพื่อที่จะได้มีบุญมาแผ่ให้ไม่ใช่อยู่ๆเราก็ท่องบทสวดแผ่เมตตาผมเข้าใจถูกไหมครับคือคาว่าแผ่เมตตากับการอุทิศบุญนี่มันคนละ อ, อย่างกันถ้าเราทำบุญนะเราก็มีบุญแนละ้วเราก็อุทิศให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้วได้ การแผ่เมตตานี้ก็คือการให้มีความเมตตากับทุกคนที่เราพบปะด้วยให้แผ่เมตตาด้วยการปฏิบัติไม่ด้วยการกระทาไม่ใช่แผ่ด้วยการส่วนบุแผ่เมตตาเช่นเวลาเราพบปะกันล้วก็ทักทายกันถามเขาว่าสุขสบายดีเลยนี่ก็เป็นการให้ความเมตตาต่อเป็นมิตรไงเราต้องการแสดงความเปนมิตรหรือถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุข ถ้าเรารู้ว่าเขาชอบขนมอะไรบางทีเราก็ไปซื้อขนมมาให้เขาเมื่อเขาได้รับขนมเขาก็จะกราบทานสบใจขึ้นมาอันนี้อะไรเป็นการแผ่เมตตาพอละเรื่องกับ ก, บการอุทิศบุญอุทิศบุญนี้ต้องทําบุญก่อนเชนใสายมารอให้สังฆทานแล้วก็ได้บุญพอได้บุญแล้วเราก็อุทิศให้กับผู้ที่ร่วมนับไปแล้วกัน สามที่สามพระอาจารย์ได้ตอบไปเมื่อสักครู่ น, นี้แล้วค่ะคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคแล้ว okay. พอดีหมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงดำรงิ่งที่ท่านได้ยินให้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิด